ถ้าเจลิตอนทุกทุกทดีใจที่ได้เจอมี่เป็นกันเทศ mm hmm. นอกประเทศครั้งแรกเลยแต่คนฟังกาคนไทย mm hmm. มีคนแปลพลังคนเ mm hmm. รื่องหลงพ่อช่วยเจษเห็นว่าจะมาช่วยแปลคงก็ต้องช่วยเพราะคนไทย คือเราประเทศเราจะไม่ร่ำรวยนะไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่เรามีมรดกทางวัฒ น, นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถรักษาคำสอนขอ ง, ขอ ง, ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้สืบทอดกั น, นมาตั้งสองพันกว่าปี้ในโลกก็ ความทุกข์มันมากแต่ละคนก็หาวิธีพ้นทุกข์ของตัวเองนี่เราบุญบรรพบรุษเราเลือกที่ศึกษาสึบทอดคำสอนของพระพุทธเจา้ามาเราอย่ไปวาดภาพศา ส, สนาพุทธนะว่าเป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรเพรานเรื่องตีย่อยมากเลย ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญา้วยไม่จำเป็นต้องเป็นปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรไม่มีความจำเป็นศา ส, สนาพุทธก็คือคำสอนของพรยเั้ถ้าเราศึกษาได้ถองแท้เราจะพบควาาศาสนาพุทธก็คือศาสตร์อันหนึ่งคือศาสตร์อันหนึ่ ง, ท, งที่จะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจของเรา ให้พ้นจากความถูกได้เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์ที่สุดศาส์อื่นๆแล้วเขามุ่งแก้ปัญหาแต่ละสาขาอย่างนี้ศาสตร์เขาแก้ปัญหาของเขาไปแพทยศาสตร์เขาแก้ปัญหาเรื่องของแพทย์นิติศาสตร์เรื่องของกฎหมายเรื่องอย่างนี้ศาสนาพุทธเราก็มุ่งไปที่ขจัดความทุกขออ์กจากใจให้ได้ เราอย่าไปว่าภาพนั้นอย่าไป น, นึกว่าเป็นแค่ปรัญาอะไรเรื่องๆลอยๆท้าจริงเป็นศาสรที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองเลยถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงแท้นี่เราจะโยนความทุกข์ทิ้งออกจากใจเราได้ในเวลาสั้นสั้นนะไม่ยาวแต่เราต้องกล้าหารพอที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่ที่พวกเราเรียนมันเป็นเรื่องพิธีกรรมประเพณีแท้จริงคําสอนของพระเทเจ้าเนี่ยเข้าไปสูจ่จิตใจของคนกลุ่มไหนก็ได้ไม่เป็นต้องเป็นคนไทยหรอกไม่ได้ขึ้นกับระเบียบประเพณีอะไรเพียงแต่ประเพณีไทยจํานวนมากที่เอาฉริยวะตริยาอาการอะไรที่มาจากศาสนาพุทธ ถ้าเรามาศึกษาศาสนาพุทธให้ของแท้นี่เรามีเวลาคุยกันเราเราชั่วโมงหนึ่งกันนะพอหลวพ่อบอว่าพอนะธรรมะจริงๆฟังแล้วว่ามีเยอะว่าแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์แต่ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่แล้วปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าหลวงพ่อไปศึกษาจากครูบาจารย์ครั้งแรกเนี่ยตอนเด็กๆฝึกแต่สมถะฝึกอานาปานสติทําความสงบอย่างเดียวทำความสงบอยู่ยี่สิบสองปีมันก็ได้แค่สงบนะสงบแล้วก็ฟูสร้างซัานไม่ทําอีกก็สงบอีกถ้าศา ส, สนาพุทนมีความหมายแค่การนั่งสมาธิให้จิตใจสงบศาสนาพุทนไม่มีคุณค่าเท่าไหร่หรอกดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ดีเลิศหรอ ศา ส, สนาอื่นเขาสอนเรื่องการทำจิตใจใสงบนี่ต้องเข้าหาคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าไม่เจอใช้เวลานานยี่สิบสองปีทำแต่สมถะทำสมาธิยังไม่เจอหลวงปู่ดุลเ ม, มื่อปีสอง5ันร้อยยี่สบห้าไปแปลเป็นข้อสอนเอง น, นะแปลไม่เป็นท่านนี่คุณเกือบหน0่เก้าร้อยกว่า เจริปูดุลสิ่งแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยบอกว่าการปฏิบัติธรนมนยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อมาฝึกอ่านจิตตนเอง้การปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรคําว่าอ่านก็เป็นคําบอกอยู่ในตัวเองแนละ้วอ่านมันเป็นยังไงอ่านไม่ใช่เรื่องคิดเอาเอง ไม่ใช่เรื่องคิดตัวเองไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งทั้งัเราทำตัวเป็นนักประพันธ์นะนักประพันธ์ไม่ใช่นักอ่านเราเปลี่ยนตัวเองจากนักคิดนักปรุงแต่งมาเป็นคนที่อ่านใจตนเองอย่างที่มันเป็นถ้าลองฝึกตูนะอาจจะใช้ใเวลไม่นานเาจะเข้าใจใว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนไม่ใช่มนีในเรื่องการดูจิตใจของตนเองท่านสอนกรรมฐานไว้เยอะแยะเลยลูกศิษย์ของท่านบางคนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูกายพิจารณากายพิจารณาผมพิจารณากระดูกอนะไรเนี่แต่หลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตนเองแท้จริงแล้วการดูจิตเก็เป็นคำสอนที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ใช่ของแปลกประหลาดแต่ว่า ไม่ค่อยมีคนศึกษาปฏิบัติคนเนี่ยจะไปดูกายน้ำต้นจะา ก, กายไปคิดถึงการปฏิบัตินะถ้าไม่นั่งสมาธิก็มาพิจรารณากา ย, ยาก็จะมุ่งไปตรงนั้นกันเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทําอย่างนั้นหลวงปู่ดูลกับสอนหลวงพ่อนี่ยฉีกแนวแอกสอนให้ดูจิตแท้จริงหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ดูลเพราะเราเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอาจารย์หลวงพ่อชายที่นะหลวงพ่ะชัยเล่งกับหลวงปู่มั่นสามวันเอง ถก็เป็นพระไ ด, ด้ดีขนาดนั้นหรวงู่ดูลเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มั่นนานข้าไปศึกษาเป็นรู้แรกเลยรุ่สิบรุ่นแรกเอาหลวงปู่มั่นเลยหลวงปูมั่นก็สอนให้ลวงปู่ดูลย์ดูจิตตนเองดูจิตนะก็สอนเป็นภาษาบาลีว่าสัพเพสังคาราสัพพะสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง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 นี่ลงปูมั่นสอนหลวงปดูลสอนให้ดูจิตตนเองให้สังเกตไปว่าจิตใจนี้มันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นตลอดเวลาหลวงปูมั่นมาสอนหลวงปู่ดูลงสอนหลวงพ่นะก็สอนให้ดูจิตตนเองทําไมท่านสอนให้ดูจิตตนเองสอนแตกว่าลูกศิษย์จานวนมากของท่านเพราะท่านเห็นว่าหลวง้่งเป็นคนเมืองเป็นคนสมัยใหม่นะเรียนมามากอ่านหนังสือมามากเป็นนักคิด คนซึ่งมีจริตนิสัยช่างจิตเนี่ยก็มาทานที่เหมาะคือการดูจิตอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ ด, ดูลผู้เองไม่ใช่หลงปู่มันพูดเองอยู่ในคำมภีร์ของเราเองการปฏิบัตินั้นมันมีสองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งดู ก, กายและก็เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เหมาะกับพวกที่มีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบนี่ อย่งรุนครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเป็นชาวไร่ชาวนาวันวันท่านไม่มีอะไรต้องจิดมากจิตใจท่านก็นิ่งสงบไม่ค่อยมีอะไรทำสมาธิง่ายก็ทำสมาธิแล้วก็ยังนิ่งต่อไปอีกมมีแต่ความสุขก็ต้องมาใช้กรรมฐานดูกายเขานั่งกายเนี้ยดูได้ตลอดเวลาไม่ดูจิตไม่มีอะไรให้ดูนิ่งไปหมดะส่วนพวกที่คิดมากเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริง พวกที่ทีจริตในกรรมฐานที่เหมาก็คือการดูจิตหรือไม่ก็เจริญธรร ม, มานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยดูทั้งกายดูทั้งจิตมัทํางานควบกันไปดูรูปนามงั้นจริงๆแล้วเป็นคําสอนซึ่นมีมาก่อนไม่ใช่คําสอนใหม่ๆที่หลวงพ่อมาคนพบนะคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าพวกเราไปเข้าใจผิดกันเองว่าเบื้องต้นต้องดูตาย สุดท้ายท่านจะแตกหักบรรลุพระธรรมถึงจะบรรจิตพชะเจาไม่ได้สอนอย่างนั้นดู ก, กายก็ได้คนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไนะ่นให้ดู ก, กายคนไหนช่างคิดช่างเล่ช่างกรุงช่างแต่งจิตใจเดี๋ยวสุขจยนใจเดี๋ยวทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดียเดยดเด๋ยวก็ร้ายให้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจการดูจิตหรือการดู ก, กายเนะี่ยไม่ใช่ไปเพ่งกายให้นิ่ง ไม่ใช่เปเพ่งจิตให้นิง่งถ้าไปเพ่งกายให้นิง่งเช่นรู้ลมหายใจแล้วก็เพ่งให้จิตนิง่งคณะสมถะธรรมทานถ้าจะทำวิปัสสนากรรมทานเนี่ยมีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูมนถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราการดูจิตก็เหมือนกันต้อมีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา ความเปลี่นแปลงที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลานะเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสมัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกตางใจจะเปลี่ยนให้พวกเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของเราเช่นขณะที่เราเห็นคนนี้มาเพื่อนเรามาความรู้สึกใน ใ, นใจเรามีมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดีใจรู้ว่าดีใจ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 ไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งบางคนคิว่าดูจิตก็คือไปจ้องจิตแม่ให้จิตเคลื่อนไหวให้เรื่องของสมถะกรรมฐ า, านวิปัสสนากรรมฐานนะั้นต้องการเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะั้นเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราต้องการแค่นี้เองต้องการให้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายของเรา เ, เป็นของชั่วคราวทุกเกิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราว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 ต่อไปนี้เราจะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเราจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวความชั่วก็เป็นของชั่วคราวเราจะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาได้และทุกอย่างก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะไม่ทุกข์ทางใจความทุกข์นี่จะเข้าถึงได้แค่ร่างกายของเรา แต่จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจของเราต่อไปละจิตใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นะเพราะจิตใจเนี่ยไม่ยอมรับความจริงความจริงของชีวิตเรานั้นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์คือบีบคั้นมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราสั่งร่างกายเราไม่ให้แก่สั่งไม่ได้สั่งไม่้เจ็บสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้ตายสั่งไม่ได้สั่งจิตใจเราให้มีแต่ความสุข ห้ามจิตใจว่าอย่ามีความทุกข์เราสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงดีอย่างเดียวนะห้ามชัว่วนะก็สั่งไม่ได้เนี่ยในความเป็นจริงของชีวิตเรานะเต็ไมไปด้วยของที่สั่งไม่ได้หรืออย่างเราจะพลัดพลาดจากคนที่เรารักเราต้องเจอคนที่เราไม่รักเราก็เลือกไม่ได้อย่างความพลัดพลากมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้การที่ต้องเจอเราคนที่เราไม่ชอบเจอในปรากฏการในสถาน ก, การณ์ที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้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 ถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อะไรไงธรรมะรจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อะไรเราไม่ทุกข์แก่ก็แ ก, ะก่แกะร่างกายมันต้องแก่เป็นบุญแล้วที่ได้อยู่มาจนแก่ร่างกายต้องเจ็บถ้ามันเจ็บไข้ขึ้นมาเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บป่วยบ้างเป็นธรรมดาเรายังไม่ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายคนอยู่ๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมา เป็นมะเร็งปุพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะชอบตายเลยยังไม่ทันตายเพราะมะเร็งก็มีนะกเนีนี่พระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่าเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นเจ้าคณะภาคท่านอยู่ที่โคราท่านบอกว่าวันหนึ่งญาติมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมากันอย่างร่าเริงเลยนะสดชื่นมาอย่างดีมาถึงก็มาพักที่วัดแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ออกเที่ยวหลายวันนะ วันที่ไปฟังผล่ะตัวเป็นมะเร็งญาติๆต้องหามกลับมาที่วัดน่ะเพราะว่าช็อกไปแลกลับบ้านน่ะไม่กี่วันตายไปเลยยังไม่ได้เป็นมะเร็งมากเลยนะเป็นนิดเดียคือใจที่ยอมรับความเสี่ยนแปลงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้และใจมัมีความทุกข์มากนะอย่างพวกเราเนี้ยถ้าเรายอมรับได้แล้วก็ไม่ทุกข์เท่าไรารหร่เรายอมรับว่าเราผัดบ้านผัดเมืองมาอยู่ที่นี่มาเรียนมาซือมาทํามาหากิน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 จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าต้องดีตลอดห้ามชั่วต้องสุขตลอดห้ามทุกข์นี่สั่งไม่ได้เนี่องจากการที่เราคอยมารู้กายมารู้ใจบ่อยๆะก็เพื่อให้เห็นความจริงให้จิตใจมันยอมรับความจริงเห็นแรกๆยังยอมรับไม่ได้เดี๋ยวเราเห็นร่างกายนะหายใจออกหายใจเข้าใช่ไหถ้าเราไม่เกิปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดี แต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเรามีสติคอยรู้สึกอยู่ในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่ของดีต่อไปแล้วร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าก็าเพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์แล้วเราลองมาทดสอบดูว่าจริงหรือไม่เพราะเราลองหายใจเข้านะหายใจใไปเรื่อยดูซิจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เอาหายใจสักห้านาทีใหมไหม หายใจเข้าไปไม่ไหวใช่หมทำไมเราต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์นช่ไหมตหายใจออกไปเรื่อยๆนะอยาหายใจเข้าไม่ไหวใช่ไหม น, น, นึกออกไหมเราหายใจเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์นะถ้าไม่เราเปลี่ยนอีริยาบทยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ทุกข์ร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บิบขั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลย เราไม่เคยใส่ใจและไม่เคยเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจก็เหมือนกันทำไมต้องเปลี่ยนอารมณ์เรื่อๆทำไมจิตใจของเราบางทีเราอยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงมันมีความทุกข์บีบคันน้นนะอยากเปลี่ยนอารมณ์เพื่อว่ามันจะได้รู้สึกสบายขึ้นเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปหาของอร่อยกินนะคิดไ้ยว่าจะไปหาเพื่อมีความทุกข์ไม่ใช่ทาไมเราต้องไปคุยกับเพื่อน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 นั่งสมาติหวังว่าจะทุกข์ไม่ไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมนั่งสมาธิหวังว่าจะมีความสุขอีกนะทาทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะหาความสุขแต่ว่าถ้ามีสติปัญญาพอจะพบว่าความสุขสั้นนิดเดียวความสุขนั้นสั้นนิดเดียวนะแค่หายใจออกไปแป๊บเดียวก็ทุกขนะ์แล้วความสุขมีนิดเดียวเมื่อหายใจเข้าให้ยใจเข้ามีความสุขอยู่นี้เดียวนะความทุกข์ก็ตามมาอีกนะให้คอยรู้สึกอยู่ในการรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะ อันนี้เป็นความลับที่พระพุทธเจ้าค้นพบในศัจธรรมที่ลึกซึ้งคนทั่วไปไม่เข้าใจเลยใครๆก็เกลียดทุกข์ใครๆก็กลัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรานนะเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วความทุกข์ไม่ใช่ทุกขทรมานนะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกายกใจของเราเองอะไรเรียกว่าทุกข์พวกเราได้ส่วนมนต์แปลบ้างไหมเคยไหมใครเคยส่วนมนต์บ้างมีไหม หรือส่วนไม่เป็นละ่ะธรรมัดเช้าได้ทํามบัดบ้างไหมครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยแปลกไหมสังคีเตนะพันจุปาฏานะันธาทุกขาเนี่ยว่าเธอย่อุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอะไรที่ว่าอุปาทานขันทั้งห้าื่อคนแปลโม้ซั่วนะแปลอุปทานขันนะแปลว่าขันที่ถูกยึดมั่นถึงจะถูก อุปาทานขันไม่ใช่ขันที่ถูกยึดมั่นตัวทุกข์ถ้าแต่อย่างนั้นนะถ้าไม่ยึดมั่นก็แสดงว่าขันเป็นสุขความจริงขันเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปาทานขันนะั้นเป็นการแยกชนิดของขันว่าขันมีสองชนิดขันชนิดหนึ่งเป็นขันที่พ้นจากอุปาทานคือพวกโลกุตตะลจิตทั้งหร่โลกุตตะละจิตทั้งหรายนี้พ้นจากของทุกข์ นอกนั้นอย่างสิ่งที่พวกเรามีเนี้ยจะยึดหรือจะไม่ยึดร่างกายเนี้ยจะยึดหรือไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์จิตใจนี้เราจะยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นตัวทุกข์งั้นโดยย่ออุปาทาน ท, นทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือตัวนี้แหละตัวทุกข์กายนี้แหละใจนี้แหละคือตัวทุกข์จะยึดหรือจะไม่ยึดก็ทุกขนะ์นักนั่นเรามาเฝ้ารู้ความจริงของกายของใจไรู้ปางานิจเจ้าส่วนไหมเวทนานิจจาสวดกันเย่งเลยนะอ รู้ไมมรูปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ส่วนนะต้องรู้สึกอยู่ในรูปร่างกายหายใจออกร่างกา ย, juntos, ก ห, ายออกกหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่แหละรูปปั้นอนิจจ์นะดูของจริงสิเวทนานิจจาเวทนานัตตานีย ม, มีสองอันเวทนาไม่เที่ยงเวทนาบังคับไม่ได้ถ้าดูของจริงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกาย ใครดูซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นไหนใจดูซิเที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงของจริงมันแสดงอยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้ส่วนมนุ์อย่างเดียวไม่บรรลุรอกน้ำมักผลนิพพานแต่ส่วนมนุษ์เรแปลได้เนี่ยสอนวิธีปฏิบัติเราในบทธรรมะเช้านั่นแหละสอนวิปัสสนากรรมฐานมาไว้แล้วหลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจนะตอนเด็กๆบวชมาชนประทาน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 ทุกสิ่งทุกอยางเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยคำว่าอนัตตาคือมื่อไม่อยู่ในอำนาจแต่มันเป็นไปตามเหตุอย่างจิตจะมีเหตุของความโกรธนะ่ะความโกรธก็เกิดจิตมีเหตุของความโลภความโลภ ก, ก็เกิดจิตมีเหตุของความสุขความสุขก็เกิดในร่างกายก็มีเหตุมีให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาเราฟังรู้ของจริงอย่างนี้แหละะเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งสมาธินิ่งๆอย่างเดียวนะ หลวงพ่อนั่งยี่สิบสองปีมันนั่งแข่งกับใครก็สู้ไหวนะไม่กลัวหรอกนั่งสมาธินั่งแช่สงบนั่งอะไรเงี้ยเล่นไปเยอะละที่ตอนเด็กเด็เล่นน อ, ออกนอกก็นั่งปุ๊บแป๊บสักพักเดียวมันเด็กมันนั่งง่ายไม่คิดมากอาจารย์สอนง่ายหายใจเข้าพุให้ยใจออกโทนะหายใจแป๊บเดียวลมมันตื้นตื้นตนแกเด็นดวงสวา่าง เป็นแสงสว่างนะจากแสงสว่างนะี้เราอยากจะไปเที่ยวไหนนะดูที่แสง น, นะออกเที่ยวข้างนอกไม่ล้างกี่เลยหรอกที่สิบสองปีทำใจความสงบไม่ได้คล้างอะไรสู้จิเลสไม่ได้มหัดเจริญตัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรื่อยไปใช้เวลาไม่นานความทุกข์ก็ค่อยลดลงลดลงจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นะใช้เวลาไม่มากหรอก ค่อยๆฝุดเอาหันมาเรียนรู้ความจริงของกายเรีนรู้ความจริงของจิจตใจตนเองบ่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะคิดไปโน่นไปนี่นะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลเห็นใจมันค่อยๆฟลูขึ้นมาจากความหลับค่อยๆตื่นๆขึ้นมาเข้าใจมันตื่นเนี่ยมาเห็นร่างกายมันนอนอยู่ใจเป็นคนดูนเข้าใจมันเริ่มคิดขึ้นมาก็จะเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมา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 อยากฝนทุกได้จิตยอมรับความจริงได้ก็ต้องพาให้จิตเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆ ย, ยิ่งเขาเห็นบ่อยเขาก็ยิ่งยอมรับความจริงได้เร็วขึ้นถ้าเขาไม่เคยเห็นเลยเขาก็ไม่รู้จักความจริงอย่างร่างกายเราเนี่ยในสายตาพวกเรารู้สึกไม้มว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกมหมเนี่ยังไม่เข้าถึงความจริงคําว่ารูปเป็นทุกข์ไหม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 จิตบรรู้มากผลนิพพานของจิตเองนั่นอจิตมีสติมีปัญญามากพอเห็นความจริงมากพอว่ามันทุกข์นะกายนี้ทุกข์รวนรุนจิตนี้เป็นทุกข์รุนรุนเพราะเรายังไม่เห็นเพราะเราเห็นว่ากายเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์วารวนรุนจิต น, นี้ก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่เป็นทุกข์รวนรุนในขณะที่พระอรหันต์ท่านเห็นในกายเนี้ยเป็นทุกข์รุนรุนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย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 อะไรเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นจากขันห้ามาถ้าไม่จิตมันพ้นขันห้ามันไม่ยึดถือขันห้าได้เพรก็มันเห็นความจริงของขันห้าแล้วว่ามันเป็นทุกข์แค่นี้เองอ่ะเคล็ดลับมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนนั้เราต้องรู้ทุกข์ให้มากร่างกายหายใจออกมันทุกข์แหละมันหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์แก้หายใจเข้ามาแก้ทุกข์ทุกหายใจเข้าไปแป้บเดียวแล้วทุ่ยแล้วก็หายใจออกแก้ทุกข์อีกตัว นั่งอยู่ก็ทุกข์ขยับไปขยับมานะก็ต้องขยับตัวแก้ทุกนั่งนานนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิเดียปวดเวลานอนทุกข์ไม่นอนรู้ไหมคืนหนึ่งขยับตัวกี่ครั้งทั่วๆไป้วประมาณสามสิบถึงสี่สิบครั้งะถ้านอนรอดสติดีนะขยับตัวกูวกี้กูกี้เนี่ยรู้ทั้งคืนเลยะไม่ใช่นอนไม่หลับนะร่างกายหลับนะร้อนครอกๆเลยแตจิต น, นั้นตื่น จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจะเห็นในร่างกายที่ว่านอนอยู่มีความสุขไม่สุขจริงหถึงนอนที่นอนอันละแสนนะนอนแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวมั่วยเนาะมันไม่ได้เมื่อยที่ที่นอนะมันเมื่อยที่ร่างกายต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยความทุกข์มันบีบขั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะไม่เห็นทุกข์ เมื่อไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษทองกายของใจเจ้าให้เขาไม่ปล่อยวางถึงยังมาบอกว่าอย่ายึดมัน่นอย่ายึดมัน่นเอาเขา้จริงก็ยึดมัน่นเพราปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ธรรมทุกข์กถึงเป็นสัจจ้อแรกของพระอริยเจ้าเคยได้ยินใช่ไหมอริยสัจ ส, สี่ข้อแรกคือทุกข์นะ หน้าที่ตอทุกให้รู้งั้นหน้าที่ของเราคืรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูสิกายนี้จริงๆเป็นของดีของพิเศษจริงไหมจิตนี้เป็นของดีของวิเศษจริงไหมทุกวันนี้เราวิ่งหาความสุขเราก็มาดูอีกความสุขเป็นของดีของพิเศษเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้จริงหรือไม่จริงพวกเราหาความสุขมาเยอะแล้วเรารู้สึกไหมว่าความสุขก็หายไปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นของแปรปรวนะ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 ว่าในกายนี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวในจิตใจนี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวในกายนี้เต็มไปด้วยทุกในจิตนี้เต็มไปด้วยทุกในกายนี้เป็นเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้นะในจิตนี้เต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราไม่มีอำนาจบังคับอย่าบังคับร่างกายไม่ให้แก่บังคับไม่ได้นะบังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตายบังคับไม่ได้ บังคับไม่ให้พรัดรากจากสิ่งที่รักคนที่รักเราบังคับไม่ได้บังคับว่าจะต้องสัมผัสกับความสมหวังตลอดบังคับไม่ได้นี่มาดูของจริงนะไม่ยากเกินไปงั้นประโยคแรกที่หลวงปุ่ดลูลสอนหลวงพ่อเนี่ยประโยคแรกเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติมันจะยากอะไรรู้สึก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 ไปฟังหลวงพ่อสอนอยู่ที่บ้านจิตสบายอสอนอยู่นไนรอบนั้นแล้วนะลเขาก็บอกว่าเขาบอกกาบลูกศิษย์ลงพ่อเองบอกว่าเขาเห็นความโกรธแต่ทําไมความโกรธมันสร้างนิดเดียวเขาะความโกรธเกิดขึ้นแล้วสติเกิดปั๊บเนะี่ยความโกรธมันดับอัตโนมัติเลยตัวอื่นก็เหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วสติเระได้รู้ปั๊ c. ความทุกข์จะดับอัตโนมัติเลย สั้นนิดเดียวปัจจุบันเนะี่ยสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีนะแต่ปัจจุบันก็คือขาดจิตต่อหน้าเรานี่ยนะทุกอย่างเกิดแล้วก็สนั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไปใครดูของจริงเยอะมากนะเกิดเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงได้ก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมยากไปไหมี่ยากอะไร การปฏิบัตินี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติพวกไหนไม่ปฏิบัติพวกคิดลูกเดียวไม่ปฏิบัติสักทีเลยคิดลูกเดียวเลยเรายัางโง่นะว่าศาสนาพุทธเป็นปรัชญาที่ต้องคิดศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสตร์ให้เราเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นเลยกลายให้ทุกข์ใจนทุกข์ถ้าเห็นได้แล้วก็ปล่อยวางของเขาเองถ้าเขาปล่อยแล้วนั่นเราจะได้อิสรภาพ มนุษย์เนี่ยแสวงหาอิสรภาพตลอดเวลาแต่ตกเป็นทาตของตัณหาตกเป็นทาตของความอยากโดยไม่รู้ตัวหรอกนึกว่ากูน แ, น แ, นแนะ่กูแน่นะกิเลสสั่งทั้งวันเลยสั่งให้ไปนั่งเข้าไปสั่งให้เป็นี่เข้าไ ป, ส, ป, นนาาไปสั่งให้มาวัดเข้ามานะแต่ต้องรู้จักนะอย่างกิเลสบอกให้มาวัดนะตัณหาอยากมาวัดเรารู้ทันนะตัณหาดับหรือเหตุผลนะ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 ไม่ใช่ชีวิตที่เคร่งเครียดหน่อยเงาเศร้าสร้อยนะบางคนไปเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนามองโลกแง่ร้ายเพราะมองทุกถ้าศาสนาพุทธสอนให้เรื่องทุกข์ไม่สอนถึงเหตุของทุกข์ไม่สอนวิธีพ้นจากความทุกข์แล้วก็เป็นศาสนาที่มองโลกแง่ร้ายแน่เีนี้ท่านถาให้เห็นความจริงว่ามันทุกข์มันทุกข์กเพราะไหไรเพราใจมันหยางถ้าทำไงใจจะพ้นทุกข์ใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันจะหยาบทำไม มันหมดอยากมันกพ้นทุกสิเป็นอิสระใครๆก็อยากได้อิสระภาพแต่หาอิสระภาพจากข้างนอกเนะหาไม่ได้หรอกมันนั้นไม่มีิสารภาพจริงตามทฤษฎีบอกมีอิสระภา พ, แ ต, ตาภาพแต่จริงๆไม่มีหรอกมันตกเป็นท่าของความรู้สึกตกเป็นท่าของปัญหาตัวเองนะี้เลยเราต้องมาปลดปล่อยตัวเองนะให้เป็นอิสระให้ได้คําว่าผู้หลุดพน้นความหลุดพน้นเคได้ยินไหมหลุดพ้นมันเป็นอิสระนะเป็นอิสระจริงๆ จิตใจเราจ ะ, ะร่าเริงจิตใจเราจะเบิกบานชาพุทธไม่ได้พวกเคร่งเครียดหงอยเหงาเศร้าส้อยเก็บกดอยา่าไปนกึกว่านักปฏิบัติต้องเก็บกดนะเพราะเก็บกดแนละ้วพวกปฏิบัติไม่เป็นเพราะชาพุทธต้องรู้พุทธะแต่ว่ารู้นะพุทธะแต่ว่ารู้พุทธะว่าตื่นพุทธะว่าเบิกบานแล้ว่าปลูกจิตเราให้เป็นพุทธะให้เป็นผู้รู้รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริง ในโลกไม่มีคนตื่นในโลกมีแต่คนที่ตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนั้นหลับแล้วก็ฝันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่มันหลับมันฝันตอนตื่นนี่ยขาเว่ามันลงเป็นอยู่ในโลกของความคิดฝันกับคิดนั่ะอันเดียวกันนะคิดตอนหลับเขาเรียกว่าฝันฝันตอนตื่นเรียกว่าคิดแล้วชาวพุทธมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดไม่ยู่ในโลกของความรู้สึกตัว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 ไม่ยากทรมาของพระเจาไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้าไม่รู้หลักกะทำให้าตายเลยทำเงินปางตายได้อะไรได้แต่ความสงบมุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงแต่ว่าต้องดีไว้ก่อนดีดีไปชัว เขาดีนี่มีผลทำให้จิตใจพัฒนาได้เราชั่วน่ะจิตใจไม่พัฒนาแล้วเราพยายามฝึก น, นะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดแค่นี้เองส่วนมากฝนนิพพานนั้นเขาเป็นเองจิตเขาเป็นเองนะไม่อยากเขายืนยัน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 ปัญญาจากการอ่านการฟังนั้นเป็นปัญญาของคนอื่นเราไปอ่านไปฟังเราไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาอย่างที่สองจินตามายาปัญญาคิดเอาเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ใช่ไหมสวนใหญ่คิดผิดคิดผิดคิดที่ไหก็มีเราทุกทีมันไม่สามารถเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีปัญญาอย่างที่สามอันนี้แหลสสำคัญนี่ว่าภาวนามายาปัญญาจเจริญสติจเจริญปัญญา ดูของจริงถ้าเทียบกับงานทางวิชาการเนี่ยคล้า้างานวิจัยภาคสนามงานวิจัยภาคสนามเลยแต่เราไม่ได้วิจัยสิ่งอื่นเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจออบเจก ต, ต์ของการเรียนรู้คือกายกับใจเนี่เรียนรู้จะเห็นความจริงอ่ะไม่เที่ยงเป็นตุกเป็นนาฏตารู้ความจริงตัวนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยวิปัสสนาปัญญา ถตาเกิดวิัสสนาปัญญาเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจให้จิตหมดความยึดถือจิตก็หมดภาระไม่มีความหนักเกิดขึ้นถ้าเรายึดจูจ่นะก็หนักอย่าดองนี้หนักไหมถ้าเทียบไปแก้วน้ําอันไหนหนักอัไหเบาแก้วน้ําหนักเนาะเก้วน้นานไม่หนักสำหรับหลวงพ่อเี่ยหลวงพ่อไม่ได้ถืออย่าดองนี้หนักนะเขาถือเอาไว้เนี่ยถ้าเราปล่อย ไฟแล้วก็แช่น้ำไปหยาดลมนี้เท่ากันแล้วนะจะไม่มีน้ําหนักในใจแล้ใจนี่เหมือนกันนะไปะยึดอะไรก็จะหนักตอนนั้นแต่ถ้าใจเห็นความจริงว่าไม่ก่องไร้สาระมันจะโยนจิ้งเองพวกเราเคยเคยเห็นเตาถ่านมั้งเตาที่ใช้ถ่านเคยเห็นไหมเคยยังโบราณอยู่ <laughs> <laughs> <laughs> นะถ่านไฟแดงๆสวยไหมสวยสวยโท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 งัอย่าเราอย่าไปมักง่ายนะว่านอนก็ไม่ยึดมั่นนี่ก็ไม่ยึดมั่นมันยังไม่เห็นทุกข์มันยึดอยู่ถ้าถ้าเห็นทุกข์เมื่อใดมันก็เลิกยึดเองไม่ต้องสั่งหรอกงั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องวลีสวยๆประโยชน์สวยๆพูดแล้วฟังเพลินๆนะทำนั้นคงไม่ควรยึดมั่นจริงๆยึดตัวอย่างว่างนี่ก็มักง่ายนะตัวอย่างว่างเปล่า ว่างาเป ล, ล่าก็ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าสอนวนะ่าสิ่งใดมีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดนสิ่งใดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับมันไม่มีมันว่างมันว่างจากความเป็นตัวตนถาวรว่าอัตตาตัวตนถาวรไม่ใช่ว่างแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนี่มิจฉาทิฏฐิมันะซ่อนอยู่ในาศาสนาพุทธเป็นมไปหมดเลยสอนทำจิตให้ว่างทำจิตไม่ยึดถืออะไรเลยพูดแต่ปางมันไม่มีวิธีการที่จะไปถึง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 ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เนิน่นชะ้อาอัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วเราจะพบว่าเพราะเราถึงประเทศเราจนคนเราจนการศึกษาไม่มากเลยนะแจ่เรามีของดีอยู่เรอมีศาสตร์แห่งความทุกข์ซึ่งคนทั้งโลกเขาก็หวังเขาก็อยากจะได้ศาสตร์ของความทุกข์อันนี้แต่เขาไม่รู้ว่าความทุกขมันคืออะไรไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ เขาไม่รู้ว่าความทุกเกิดจากอะไรให้จากใจมันอยากมันอยากในของซึ่งมันอยากให้ของซึ่งไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่างเวลามีความรักอยากให้มีความรักนี่รันดอนรู้สึกไหมออยากให้มีความรักนีรันดอนถ้ามีแต่งงานไปนะเราสามีเราเฝ้าเราทั้งวันเหมือนตอนเราเป็นแฟ น, นปวดหัวตายเลยมันเที่ยงเกิดไปแล้วน่ <c oughs> <c oughs> ใ, ใจเราจะพิลึกอย่างนะ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 อันนี้จังทุกครั้งนะนัตตาของกายของใจแล้วเราจะพบความอัศจริต์ของธรรมะทนะีลิก <c oughs> มันป ร, รมะลาดมันนึกไม่ถึงนะหรือว่ามันนึกไม่ถึงเราปรุสอนให้ดูจิตตัว่างดูๆอยู่เจ็ดเดือนอันนี้จิตมันสอนอุทานขึ้นมันเอจิตมันไม่ใช่ตัวเราธรรมะอย่างนี้ไม่เคยคิดไม่เคยนึก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 ถ้าไม่ไปฟังเลยฟังยากใครรู้สึกว่ายากบ้างใครรู้สึกว่าขณะนี้มีความสุขบ้างนี่แหละดูจิตเป็นละจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขยังไม่เป็นอีกหรอแล้ว <c oughs> ไปดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไป จิตใจโลภจิตใจตรวจิตใจลงรู้ว่ามันโลภมันโกรธ ม, มันลงนะดูไปเร่อยเดี๋ยวมันก็หายแล้วตัวอย่างก็ผานไปเนี่ยดูซ้ําๆง่ายแค่นี้แหละบางคนมาบอกของพ่อว่าดูจิตยากต้องดูกายโถวที่ว่าดูกายดูไม่ถึงไม่ถึงรูปจริงๆนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ว่าดูกายดูกายถึงจะเป็นวิปัสสนาดูแล้วไม่เป็นหรอกรูปที่แท้จริงผมเป็นรูปไหม ผมเป็นสมมติบัญญตัติอะไรที่เป็นรูปธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปเห็นธาตุไหมไม่เห็นเห็นแต่ผมเห็นคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมไม่ใช่รูปนะดังนั้นสมมุติบัญญัตินะดัง้นการที่จะทะลุสมมติบัญญตัติของเื่อนผมไปเห็นรูปที่แท้จริงไม่ใช่ง่ายนะเออไม่ใช่ง่าย ส่วนดูจิต น, นะหมูสไตล์เลยหรือจะโกรธไหมโกรธไมไโกรธแต่รอบก็คือรอบเลยไม่ต้องแยกต่อไปเลไม่แยกสุดขีดแล้วเข้าถึงตัวนามมาทำที่แท้จริงแล้วง่ายขนาด น, นี้นนมีคนมาเตียงหลวงพ่อทำไมที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆเนาะดูจิตยากต้องดูกายผมเลยลองดูให้ดูซิเอาเลย แั่นไม่ได้ดูกายแล้วนั่นเป็นเท่งลมหายใจรมพ่อทำได้แต่เจ็ดขวบเพไม่เห็นไม่จำบารู้อะไรเลยรู้ไหมในลมหายใจของเรามีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟไม่เที่ยงเวลาลมหายใจเข้าบุญนาภูมิออกมาหน้อยหายใจออกมันร้อนขึ้นใช่ไหมธาตุไฟในลมหายใจนี่ไม่เที่ยง ในลมหายใจมีธาตุน้ำแต่ไม่ใช่ไอายน้ำนะในอน้ำมันมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมจีิงในลมหายใจมีธาตุน้ำน้ำคืออะไรคำว่าน้ำในความหมายของศาสนาพุทธนะแรงดูดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลในลมหายใจเนี่ยมีแรงดึงดูดหมมีนะแต่มันน้อยเพราะมันกระจายตัวไปเร็วนะในลมหายใจมีมวลไหม ชั่งน้ำหนักได้ไหมมีชั่งได้มีมวล น, นะนั่นท่าดินมวลแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่ท่าดินมีน้อยมันเลยอ่อนนะมันมีความเคลื่อนไหวไหมมีความเคลื่อนไหวสิ่งที่เคลื่อนไหวนะเรียกว่าท่าลมงนะั้นในแก้วน้ําเนี้ยมีท่าลมไหมมีนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปนัง่งอยู่กับหลวงปู่ดูล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 เน้อภายในทำไมมันหมุนได้ไมันมีทัดหลมุมมีช่องว่างมีสเปซมีอะไรงั้นที่ที่พวกเราบอกว่าดูกายแล้วเห็นรูปเนี่ยมันดูแต่กายเห็นแต่สมมุติมัญญัติคือรูปที่มารวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วอันนี้เรียกว่าผมแลบฟันหนังเนเอ็กระดูกนั่นไม่ใช่กัรูปที่แท้จริงเราลองเอามือกดที่พื้นกดแล้วลองจับแขนเราดู อจับดูอย่างนั้นยากลองเกล่งมือใช่เกล็งมือแล้วลองสัมผัสดูมันแข็งไหมลองคลายมือออกไม่เกลง็งมันนิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ธาตุดินมันเปลี่ยนธาตุดินมันเปลี่ยธาตุดินมันมากมันก็แข็งธาตุดินมันน้อยมันก็นิ่มดูยากนะแต่ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิจริงๆดูธาตุนี้ทางดูกายได้ยากมากเลยบางคนบอกว่าดูกายง่าย แต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นปรมัตทธรรมอยู่แล้วสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเป็นปรมัตทธรรมอยู่แล้วไม่ใช่ปัญญตัติคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธความรู้สึกเหมือนกันเลเป็นคนจีนโกรธก็เหมือนกั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตัวปรมัตทธรรมใ น, นการทำนิพพานานะเรียนเข้ามาให้เห็นตัวปรมาท ธ, ธรม ร, มธธรมปรมาทธรรมจากจิตน ง, ง่ายที่สุดเลยมีคนเถียงหลวงพ่อตอนสอนใหม่ๆว่ายากหลวงพ่อเล่เด็กบาคนหนึ่ง โกรธเป็นไหมรู้จักไหมเป็นอยากเป็นไหมเป็นดีใจเป็นไหมเป็นเราบอกว่ามันยากตรงไหน嘛มันถ้ารู้รู้อยู่ตนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าตกวธก็ชั่วคราวแล้วต่างกันนี้เดียวคนส่วนใหญ่เวลาโกรธจะไปนสนใจคนอื่นที่ทําให้เราโกรธไม่ออกไหม เราชาวพุทธเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะเรารู้ทันว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจนี้แค่นี้เองนี่แหละคือการเรียนรู้ตัวเองเวลาคนโทั่ไปเขามีความรักเขาก็ไปมองคนที่เขารักเขาไปมองของที่เขาชอบที่เขาอยากได้เรารู้ทันว่าใจกําลังโลภอยู่ะใจกาลังอยากอยู่แค่นี้เองแล้วเราจะเห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปได้ง่ายแค่นี้นะ ง่ายไหมง่ายถ้าใครบอกว่ายากนะแต่เพราะว่าบอกเราครูเดินบอกาการปฏิบัติไม่ยากนะยากอย่างเราพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติมีสองพวกพวกคิดเอาคิดอย่างเดียวเลยพวกนั่งปรัชญาคิดเอาอีกพวกหนึ่งพวกเพ่งเนาะแตนที่จะดูกายทําความเป็นจริงดูใจทําความเป็นจริงแล้วก็เพ่งกายทื่ออะไรเนี้ยเห็นไหม จะกินข้าวทีนะชามากินกับเราแล้วเรากินหมดแล้ว <c oughs> ง่ายๆตัวอย่าไปคิดอะไรมากมีความสุขรู้สึกไหมแต่หลงรู้สึกไหมห <c oughs> ลงไม่หล่ออย่างคำว่าหลงสุข <c oughs> ใจมันดีไปที่ลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจเพราอนั้นหลง เมื่อไรรู้สึกกายเมื่อไรรู้สึกใจนะมีส ต, ติอยู่นะมีส ต, ติรู้สึกอยู่ในกายมีส ต, ติรู้สึกอยู่ในใจดูกายทํางานดูใจทํางา น, างานเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเมื่อไรการเจริญปัญญาก็จะเป็นปัญญาพอจิตจะปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะไม่ยากนะอนิเทศหลวงพ่อนานๆจะเทศง่ายอย่างนี้สติเองสี่ <laughs> <laughs> คนบนนะ่นแล้วอยู่ที่ว่าเทศยาก อย่ที่ส่วนสันติธรรมไปฟังซีดีแล้วจะเพราว่ายากมากเลยนี่หลวงพ่อคนมาแจกไม่ไหวทำวิดีโอเป็นชุดเลยแต่ว่ามันหนักมากเป็นกล่องโตอันนั้นจะเป็นเทป ท, ที่นั่นที่นี่น่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายเขาถ่ายไว้เอามารว ม, รวมรวมเวลาเทศนอกสถานที่เนี่ยจะเทปง่ายเทปที่วัดจะยากเลยใจลอยอีกแล้วรู้สึกไหม สังเกตไหมใจลอยตอนนี้ก็บตเกี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ใจลอยนะแต่ไม่ฟุ้งซ่านไม่สมันสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะรู้สึกสังเกตไหมใจเราเริ่มแน่นแน่นเริ่มแน่นขึ้นนะเนี่ยเพพยายามจะรู้สึกตัวมันก็จะแน่นนะอ๋อมันจะแน่นนี่นะแน่ใจเราเบาเราก็รู้ใจเราแน่นเราก็รู้เห็นไหมเบาก็มีเหตุใช่ไหมแน่นก็มีเหตุ แน่นอยู่พะโลกอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้สึกตลอดเวลาเน่นง่ายๆแค่นี้แหละเพราะความรู้สึกนั้นทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้นะาการปฏิบัติทำนั้นทุกคนปฏิบัติได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะปฏิบัติใครรู้สึกเทนะ แ, แค่นี้ก็พอแล้วละนะวันนี้ใครมี้ะไรจะคุยเชิญ สังเกตไหมว่าใจหนีไปหมดแล้วะใจคุกๆไปเลยมี่แหละคนในโลกเต็ไมไปด้วยความหลงหลงตลอดเราไม่ใช่ชาวพุทธแท้นะชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงผู้เลิกเกินอย่ารู้สึกตัวนะได่สมเป็ชาวพุทธแท้ๆท้จริงศาสนาพุทธนะ ถ้าเป็นเอานิยามคำว่าศาสนาของฝรั่งมาใช้เราไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่ลัที่ความเชื่อไม่ใช่อะไรนะแต่มันเป็นศาสตร์หนึง่งที่จะเรียนรู้ตัวเองจนกระท่่นจิตใจมีฉลาดมันไม่ทุกตอนนั้นนะอย่างเช่นก็มีมจักฉลาดและดีเช่นสนุก แล้วมีขัับฉลาดให้ไม่ใคตอบ ม, <c ười> มั้ย้นไม่ไม่แปลเลยทด ส, ส, ส, ส, สอบเสียงทดสอบเสียงทดสอบเสียงไม่วท่ไสมกันแท้มีคนไว้เท่าไหร่เบอรบ144ครับ เอาเบอร์ต่อไปเลยชวยอเราเอาสองเบอร์ได้ส่งใหม่ไปได้เอาอยู่ด้กันไม่เท่งส่งอ่ะาว่ามาอยู่ไหน่ะพวกเรามีโอกาสเยอะกว่าคนในเมืองไทยนะเพราะว่าเวลาหลางพ่อเทีนคนเยอะกว่านี้ ปีนี้มีนิ ด, ดิอ่ะคือส่งกลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าคือรร ป, ปิดสมถะมาหลายปีแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจิตใจเริ่มว่วงไวที่แล้วแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือพยายามที่จะระสมถะนะคะ จะมาสาอิจะเป็นร่างเหมือนนะเสร็แล้วทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไม่มีแรงก็เลยไม่ได้กลับมาทำต้องทำตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยจะมี อ, อมีอารมณ์เ อ, อจะมีสิ่งที่มาเร่าเยอะะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังผา ม, มาแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันอืทั้งทั้งที่ไม่มีตัวเร่งอะไรเลยบางวันเนี่ยจะรู้สึกเศร้าอแต่นนี้มันจะเริ่มที่จะลงจาก วันเนี่ยเป็นครึ่งวันแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นทีละชั่วโมงก็จะรูส้สึกแล้วก็จะเริ่มมีสุขเศร้าลงเรื่อยๆค่ะคือต่อไปนะเวลาความเศร้าโศก ค, ความทุกข์ความกังวลอะไรเกิดเนี้ยสติเราเลิกเพิองจะขาดเลยแล้วคราวนี้เราจะเหลือการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลว<ฮ>่าอย่างความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนเกิดของชีวิต มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยะมีแต่บัณฑ์ทอนเรามากขึ้นงั้นอย่าไปกังวลมันนะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปค่ะแล้วก็คือตอนมันก็มีจะเป็นช่วงๆที่จะเห็นว่าตอนที่ตอนเข้าหรือความทุกข์มันเข้ามาเนี่ยมันเห็นแยกออกจา ก, ากตัวเองอคือตัวเองเนี่นั่งมองความทุกข์อยู่แต่ว่าตัวเรานี้ไม่ได้รู้สึกอืตอนที่เห็นตัวเองแยกออกมาเนจิตใจเหมือนขณะนี้ไหม ตอนนี้เหรอคะไม่เหรอครับก็เหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะก็เหมือนอย่างนี้แข็งไปเพราะว่าตื่นเต้นก็ไปบีบมันไว้แล้วก็รู้ว่าไปสบายๆเห็นใจมนะันทุกใจเราเป็นคนดูต่อไปก็รู้เลยว่าไอ้ตัวที่ทุกข์ก็ไม่ใช่เราน ะ, ะเป็นแค่ความรู้สึกที่ไหลมาไหลไปปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้เคยทุกข์ทุกชีวิตมนะถ้าจะมีปัญหาในชีวิตเนะี่ยเกิดตลอดเวลา แต่ความทุกข์นี่ยเป็นส่วนเกินของชีวิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะใจของเราเวลาเจอปัญหาเี่ยเราไม่ชอบเราอยากให้อายไปมีความอยากขึ้นมาปุ๊บมันทุกข์เลยก็ความอยากที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพป็นบั่นทอนพลังลในการแก้ปัญหาเรื่้ําไปงั้นเราอย่าไปจงกับความทุกข์เนาะให้เหลือแต่ปัญหาแต่ไม่มีความทุกข์ค่ะแล้วตอนนี้ก็พยายามทําเอ่อ สมาธิทุกวันนะคะวันเล็กเ็น้อยต<ม>ตามที่ต้อ ง, องทําไม่ทาไม่ได้นะที่หลวงพ่อบอกบางคนให้หยุดการทําสมาธิไว้ก่อนน่ะเพราะไปติดเพ่งติดนิ่งอยู่แล้วกี่ปีกี่ปีมันก็นิ่งถ้่ยังไม่เดินปัญญาก็ปล่อยให้มันทํางานแต่ว่าพอมันทํางานไปแล้วเราไม่ไม่ให้จิตได้เข้าพักในสมาธิเลยนะมันจะฟุ้งซ่านหมดแรงถึงเวลาก็ต้องกลับเข้าพักบ้างแต่ไม่ได้พักเราก็ติดอยู่ในความสงบ ผู้งอาความสงบเป็นเป้าหมายของชีวิตแค่นั้นไม่พอแล้วช่วงเดินหน้าเนี่ยอาจจะได้ออไปปฏิบัติยาวๆสักเจ็ดวันอะไรเงี้ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรขนาดนั้นก็มีสติอยู่นะจะ ก, กี่วันก็ตาม่ะทุกข์ทุกวันเราก็มีสติรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอยรู้เรืนะ่อยไปะอย่าไปคิดนะ สิ่งที่ผิดมีแค่สองอย่างไปคิดไปเรื่อยๆลืมตัวเองพอคิดถึงการปล่อยก็เพ่งบังคับกายให้นิ่งบังคับจิตให้นิ่งนมีสองงานตรงที่ปล่อยลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหย่อนเกินไปตรงที่บังคับกายบังคับใจไว้เนี่ยตึงเกินไปนี่แหละความสุดตรงสองข้างตรงที่รู้ทันจิตที่นี้ไปคิดเรื่อนั้นจะพอดีจีตเราหนีไปคิดทั้งวันเลยรู้สึกไหม มีเคล็ดลับง่ายๆนะที่พวกเราจะฝึกให้รู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเร็วจิตหนีไปคิดแล้วเรารู้เร็ววิธีที่ง่ายๆนะเช่นเราหัดทำํำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งท่องพุโทโธพุโทโธในใจก็ได้หรือรู้ร่างกายเห็นเห็นร่างกายหายใจก็ได้นะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายสายลงพัดเทียนเข้าเคลื่อนไหวรู้แล้วคอยรู้ทันจิตว่ามันหนีไปคิดท่อพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดก็รู้ หายใจอยู่จิตหนี้พิคิดก็รู้ดูต้องฟองยุ่อยู่จิตหนี้พิคิดก็รู้าการที่เราคอยรู้ทางจิตที่หนีพิคิดบ่อยๆนะต่อไปพอมันไหลพิคิดแว บ, บนะสติเกิดเองเลยมันจะไม่หลงนานความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนที่จิตลงไปคิดเท่านั้นแหละถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีแปลกนะแปลกจริง แล้วไัออ ง, งอีกจบยังจบบ้าคนข้างๆราชการจะตัดปกติยอมไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์ถูกใจก็จะเคยฟังแตบบ่วิทยุแล้วก็อ่านนะคะนี่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกหรือเปล่าโดยทั่วไปทุกคนอาจจะจับลมหายใจแต่ตัวเองจับอยู่ที่มือที่ประสานกัน เมืานั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกบางส่วนของร่างกายเนี่ยหายไปแต่ว่าไม่หายไปทั้งหมดทั้งร่างกายไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไดมนั้นได้สมาธินะทำสมาธิจิตนั้นสงบบาที่ร่างกายหายไป็นส่วนๆไปต่อไปนี้เวลามาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมานจะเรื่อสติในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ยกขึ้นอย่าเห็นคนนี้แล้วหงุดหงิดความหงุดหงิดเกิดบ่อยไหม บางครั้งทันกะบางนกันงไม่รับเราไม่ต้องทันเราไม่ทันไม่สําคัญนะนะเราแค่ว่าใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันเดี๋ยวหงุดหงิดอีรู้อีกนะเขาโยมเนี่ยดูไม่ยากหรอกเพราะมันขี้หงุดหงิดก็หงุดหงิดทุกเรารู้แล้วมันจะสลายตัวไปแต่มันมายีกา็รู้อีกอันนี้เราเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่สุดท้ายเราจะเห็นเลยทั้งวันจิตมีสองอย่างคือจิตที่หงุดหงิดกับจิตที่ไม่หงุดหงิดนะม่จะมีอย่างเนี้จะเห็นเลยจิตที่หงุดหงิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย จิตที่สบายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่แหละเรียกว่าเจริญปัญญาสุดท้ายก็จะเห็นวนะ่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปะส่วนการที่ยิยมนั่งสมาธินะ<ๆ>ร่างกายหายเป็นส่วนๆเลยก็ทําทต่อไปไม่เสียหายอะไรเห็นได้ใจพักผ่อนทางจิตเก่งนะดีทีนี้ถ้าเราต้องการควรจะมีความก้าวหน้าควรจะจับจิตยังไงหรือว่าก็นั่งไปยังไ อตอนนั่งก็งไปนะไอ้นั้นไม่ไม่เกิดตัญญาหรอกนั่งทำสมาธิทำให้จิตใจได้พักผ่อนตัวสำคัญตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกริ้นแก่ยใจกระทบรมเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไห้ตัวนี้แ่ละสำคัญสแกนค่ะแต่ไม่มีคำถามแล้ว คำถาคำถาม ท, าที่หนูจะถามหลวง พ, อ พ, อพอ่อหลวงพ่อที่ตอบไปเมื่อกี้นะคะเ่ะเรื่องให้ดูอ่ความคิดนะคะคือหนูใช้อุบายใช้คาบริกรรมอะค่ะแต่ว่าบางทีบริกรรมแล้วมันก็ยังคิดอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันเพลินกับความคิดนะครับหลวงพ่อค่อยดูไปนะอจิตเราเครียดง่ายนะมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้เรื่อยๆถ้าไม่เครียดขึ้นมาก็ารู้ทันจิตไหลไปคิดเราไม่ห้ามนะ ถ้าไปห้ามมันยิ่งเครียเก่าเก่าอีเพราะจิตไหลไปคิดจะรู้ทันจิตเชืเ่อขึ้นมารู้ทันรู้บ่อยๆจะเห็นเลยว่าจิตที่เครียดขึ้นมานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ต้องไปฝึกให้มันหายนะเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับกายบังคับใจเพราะว่ามันเชื่อขึ้นมารู้ทันแล้วมันก็หายะเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ดูใหม่ ก็เห็นการู้สึกไหมหัวใจมันเต้นเองเราเป็นแค่นคนดูเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าใจเราเป็นคนดูดูไปได้ดูเหมือนดูคนอื่นก็ปฏิบัตนนิสบายๆนะเอนเชินเครียน คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยหัวใจเป็นเคลื่อนไหวเราไม่เป็นแค่คนดูใจเราเป็นคนดูอยู่สบายสบายเราจะเห็นนะ ม, มันมันเต้นของมันเองอ่เราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันหรอกเห็นไหมร่างกายไปยักหน้า <S 1> <S 1> อ๋อใช่ดูไปเราถ้าเห็นหน้าหัวใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเต้นเองหรือเราเห็นร่างกายไปยักหน้าเออมันไปยักหน้าได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอก เขาใส่ตกใจหนีไปแล้วทศกัณฐ์หลวงพ่อครับคือฝึกมาสามปีสองปีครึ่งครับแล้วก็สองครั้งนี้ส่งจามาครั้งแรกตื่นเต้นตอนฝึกช่วงแรกก็ ก็รู้ว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปรู้ว่าอ่ขาดมันแยกกันเห็นเห็นเวลานานแยกออกมาแล้วก็เวลาเวลาเราโกรธเนี่ยมันขึ้นมาจากตรงนั้นอมดแล้วมันก็ตัเลยแล้วมันก็ตัดไปเถูกเลยแล้วทีนี้ทําไปนานๆมันเจริญปัญญาเยอะมันมันก็เสื่อมไปอะไรนะมันก็หายไปเลยเป็น หายเป็นไปนางเลยแล้วก็เราก็มาฟังผมก็มาฟังหลวงพ่อใหม่ว่าที่มันเป็นอะไรแล้วก็มาดูว่าเออมันเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ตรงหน้าหน้าที่เหมือนหลวงพ่อว่า ม, ม, มันมันมาลรู้ออกนอกแล้วก็เพราะว่าเราเราขากสมถะก็ก็เลยทําสมถะเพิ่มเข้าไปแล้วแล้วก็เหมือนเมื่อคืนก็ตั้งสมาธิแล้วก็เดินจงกบมก็เห็นว่า มือมันไม่ใช่เราก็ก็อยากทำเพราว่าทํานอย่างนี้ถูกต้องไมครับถูกสินะเราทำบ่อยๆถ้าถูกแล้วมีอะไรต้องเพิ่มเติมครับคือตอนนี้จิตผิดปกติใช่ไหมเป็นล็อกอยู่ตื่นเต้นเาเป็นล็อกปล่อยนนะปล่อย้มันทางานตื่นเต้นก็แค่ดูมันจิตตื่นแค่นั้นรู้ว่ามันตื่น จิตนีไ้ไปคิดเพราะว่ามันหนีวิคิดมันหนีไปคิดตัวออกไหมเมื่อกี้เห็นครับนะคอยรู้ทันไหลไปไหล ไ, ไม่คิดนะจิตไหลไม่คิดเนี่ยเราก็รู้ทันก็รู้สึกสบายสบายดูร่างกายเป็นฐานไหมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวไปแลนะ้วใจมันไหวตัวไปนะไม่ใช่เห็นเอง ถูกนะแต่ถูกสมถนะแต่ไปนี้นะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะออกมากระทบพารมณ์ไปให้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงอะไรเนี่ย่อย่าไปตรึงจิตให้นิ่งๆปล่อยให้มันกระทบแล้วให้เกิดปฏิกิริยามีฟีดแบ็กไปตามธรรมชาติถ้าเรามีสติคอยรู้ทันก็ไปตรึงความรู้สึกไว้แล้วเจอ<ช> <ๆ S 2> อย่านี <ๆ S 2> นิ่งอย่างนีนะ ถ้าค้างอยู่เนี้ยเป็นตีนีนก็อยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อมีทีหาทาอะไรหลวงพ่อเหรวชื่อวมีที่ีแนะนำถนัดดูกายนะถนัดกายอยู่แล้วละแต่ว่าเวลาดูกายไม่ไปตรึงให้จิตนิง่งก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีใจเป็นคนดูพวกที่ดูกายแล้วไปไม่ไหวนะ เพราะว่าไม่มีใจเป็นคนดูการดู ก, กายที่สูขถูกต้องเหตุกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายๆตัวนี้ตัวใจเราก็ไม่รักษาให้นิ่งนะะให้รู้สึกอยู่แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันถ้าจ้ามันเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งจิตหนีไปคิดทราบไหมเวลาจิตหนีไปคิดนะเ่จิตไหลไปคิดนะแล้วก็จะรู้สึกเรารู้สึกกายไม่โล่งโปร่งขึ้นมานะ แา้วก็เห็นร่างกายมันทำงานต่อไปใจเราเป็นคนดูสบายๆไม่จริงกับว่าสบายถ้าปฏิบัติถูกนะมีความสบายอยู่นะใจที่เป็นคนดูมีความสุขอยู่ชาวพุทธไม่เคลียดสมัยพุทธกาลมีคนหนึ่งไปเฝ้าพทธเจ้าแล้วเดินเข้าไปในวัดเดินผ่านกุฏิพระ้ปเยอะเลยคอยเพราะพระเจ้าก็บอกอาศจ ร, รพระเจ้าข้า สาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงรมไม่ใช่สงบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ร่าเริงอดีตดาใช่สงบแต่ร่าเริงถ้าเรารู้จักความเป็นพุทธะนั้นนราเรื่องคำว่าสงบแล้วก็ร่าเริงไม่หงอยห <c oughs> งอยหยใช้ไม่ได้จิตที่หงอยห ง, อ ย, งอยจิตมีกิเลส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 ตัวอย่างเป็นของช่วคราวจิตที่โกรธก็ชั่วคราวจิตที่รู้สึกก็ชั่วคราวจิตที่หลงหายไปก็ชั่วคราวรู้ตอนที่มันหายไปแล้วแบบเออมันก็หายไปแล้วจริงๆแต่ว่าที่แต่ว่าตรงที่ว่าโกรธไปจับได้แต่ว่ามันมันจะมีจุดๆเป็นโกรธไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วอะไรครับเหตุของความโกรธมันยังอยูอ่เราไม่ได้ดูเพื่อทาลายความโกรธนะ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 รู้ว่าบัางคับอะไรไม่ได้เลยเ อ, อ่นแหะนะใครเจ็บหรือเปล่าเห็นไหมความโลภ ค, ความโกรธความหลงอะไรเนียกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันใครเห็นไหมอย่างความโกรธมันมาละวหายไปจิตเป็นคนดูอยู่เป็นคนละอันกันการที่เราเห็นมันเป็นคนละอันกันนี่เรีว่าเราแยกขันได้ อย่างเราเห็นร่างกายก็เป็นอันหนึ่งใจเราเป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งก็ แ, แยกรูปนามออกจากกันแล้วตัวนามธรรมา ท, ทั้งหลายตัวความรู้สึกทั้งหลายนะความสุขความทุกข์กับจิตเนี้ก็คนละอันกันอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนะจิตจ เ, เป็นคนดูบางก็ทุกขกับจิตอ๋อเมืองนี้มีรถไฟด้วยน <c oughs> <c oughs> ันเป็นคนละอันกัน หัดดูเรื่อยๆจนเห็นขันแต่ละขันน้ะเป็นโคนละอันกันแล้วแต่ละอันแต่ละหันจะไม่ใช่ตัวเราตัวนี้สําคัญนะคือถ้าเราแยกถ้าต <c SU> ุแยกขันไม่เป็นเราก็รู้สึกมีตัวเราอยู่ก้อนหนึ่งเป็นตัวเราอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าแยกเป็นอราจะรูร่างกายก็ส่วนร่างกายความสุขทุกส่วนความสุขทุกกุศลส่วนกุศลและกุศลจิตส่วนจิตเป็นคนดู ถ้ยแยกออกจากกันแล้วจะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยที่ฝืออยู่ใช้ได้แล้วละแต่พูดไม่เป็นแค่นั้นแหละขอบคุณค่ะร้อยส6สีส้มห่งห้านิบอ่ะครับ เดีัหพ่อปรดเฟอร์นิเจอร์เลยชัหล่อนละอือนุ่งจ่าแต่ว่างพ่อทีจรไม่อยากให้ด้วยชื่อเขาเพราะไม่ั้นหลวงพ่อวิจารไม่ได้ครับไม่เสียมารยาคือเขาเาแบ่งเป็นสองส่วนะทนก็คือาใช่ที่งก็คือเวทนาเวทนาอร่างกายทีนี้ กวสิ่งทุกอย่างเวท น, นาถ้าสมมติว่าถ้ามันเกิดที่จิตใจแบบบางทีแบบว่าสังขารเต่าขุดขึ้นมาเนี่มันก็จะมาปรากฏที่ร่างกายแล้วถ้าส ม, มเราทําใจให้มันเป็นกลางมันก็เป็นการกำํำจัดกิเลสหรือสังขารอะไรนี่ทีนี้มันก็คล้ายๆกับหลวงพ่อใช่ไหมคะคือว่ามันเท่าหลักๆที่ลูกเช่าสอนนั่นแหละคทําไมก็ต้องไปทําอานาปนานสติก่อนก็กายานุปัสนาเวทนานุปัสนา เหมาะ ก, กับสมถะยานิกเหมาะ ก, กับคนทำสมาธิถ้าไม่ทำสมาธิก่อนไปดูเวทนาเ็าสติแตกหรือเจ็บทนไม่ไหวนึกว่ารถไฟบิงเข้ามาเพราะฉนทำสมาธิก่อนเลยนะแต่ต้องทำให้เป็นทำเพื่อฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้คล็ดลับอยู่ที่เองไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่ง แต่ทำสมาธิจนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูพอจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูได้ดูลงในกายในเวทนาที่เห็นว ก, กายก็อยู่ส่วนกายเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตถ้าฝวนอย่างนี้ได้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าไปทำจิตให้นิง่งแล้วไปทนดูเวทนาลุ้นว่าเมื่อไหร่เวทนาจะหายอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแล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 เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าดูแล้วเข้ามาตรงนี้นะมนก็ไปหลักเดียวกันหมดเลยคือเห็ุขันทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เอาเวทนาเป็นตัวหลักนี่ก็จะเอาเวทนากกายเป็นตัวหลักได้จิตต้องมีสมาธิมากพอเพราะฉั้นเขาทําอานาปานสติเ่อนก็ถูกของเขาแล้แต่ถ้าดูจิตเป็นหลักนะอย่าไปเริ่มจากสมาธิถ้าดูจิตเป็นหลักเนี่ยใช้สมาธิที่ไม่มาก ถ้าใช้สมาธิมากทำสมาธิลึกลงไปเนี้ยจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆไปแต่ว่าถ้าใช้ใจิตใจอย่างพวกเราธรรมดาเนียตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนมันถึงจะเห็นไตรลักนงั้นดูกกลดูเวทนาเนียหมวดหนึ่งก็เรียกว่าเหมาะกับสมถะญาณิธรรมฌานก่อน จิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะเหมออาะกวิปัสสนาอย่างนี้เดินปัญญาไปก่อนแล้ววิปัสสนะแล้วสมาธิเกิดทีหลังมันมีหลายทางเนี่ยพระเจ้าท่านถึงเป็นธรรมราชาเป็นผู้จําแนกแจกคำธรรมะที่ท่านแจกแจกไว้นั้นหลากหลายมากเพราะาจริตนิสัยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีธรรมะอะไรที่ว่าดีที่สุดหรอกมันมีธรรมะที่วอันไหนเหมาะกับเราถ้าหาก ถ้าสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนเรางั้นอย่าพิยัดเตี้ยทธรรมะที่เราทําให้กับเพื่อนเรานะเรากลายเป็ว่ามันเหมาะกับเราอะแต่ว่าเขาไม่ได้เหมาะกับเขาทางใครทางมันแต่ว่าต้องอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนแต่ต้องตั้งเป้าให้ถูกว่าไม่ใช่ทําเพื่อเอาชนะเวทนาแต่ทําเพื่อให้เห็นว่าขันทั้งหลานยะ เ, เนี่ยเป็นไตรลักษณ์เรืนี้ถือเป็ปล่อยวาง ถ้าทำาล้วเอาชนะเวทนนมจะกาเป็นกูเก่งึีนมามีหลายคนนั่งสมาธิแนละ้วตั้งใจว่าจะนั่งโต้รุ่ปวดยังไงก็ทนนั่งนะนั่งยันสว่างได้จริงๆเลยสุดท้ายกูเก่งแทนที่จะเห็นว่ากูไม่มีนั่นเป้าหมายเลยชัดเจนนะัน่นเราลงมือทาไปแบบเดียวกันนะั่นแหละแต่พอเราตั้งเป้าผิดมันเดินไปสู่ทิศทางที่ผิด เขาดูเวทนาเหมือนกันแหละแต่คนหนึ่งดูแล้วเห็นใจรักคนหนึ่งดูแล้วกูเก่ง153สามค่ะตื่เต้นไหมร้อยห้าสิบสาม ก็อันนี้ดีกว่านะรู้สึกว่ากรดสั้นลงก็ความรู้สึกว่าติดเพ่งหน่อยๆ น, นะคะถูกต้อตงตัวที่เราเพ่งนะมนก็เลยเหมือนไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหลง อย่าไปเพ้งมันสิรู้อย่างที่เขาเป็นนะการดูจิตดูใจเนี่ยถ้าเรากลัวว่าจะเผลอเราพยายามจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นเพ่งให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานั้ะถือจะใช้ได้ก็ไปดักดูรอดูเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกกลายเป็นเพ่งนะปล่อยไปนี่ซะเราจะร้าบับก่อ ก็มอถังเพ้ค่ะ ด, ดีละละที่รู้ว่าเพ่งนะฉลาดถ้าติดเพ่งก็ไม่รู้นะโอ้ตายเลยแกยากที่สุดสามสิบเก้ากับร้อยสี่สิบ้ค่ะสามิบเ้านี้ ใครใจลอยบ้างเห็นไหมเรามองเขาเไหมเราลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเพราะนั้นใจลอยขาดสติแล้วมาสักการแล้วมาสักการรับใจก็ตอนนี้เป็นเต็มมากเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้น บางครั้งจิตก็หลุดจากความคิดมีช่วงหลังนี่มันเจะหลบ่อยขึ้นอืยังจะเห็นเหมือนกับมันเป็นคลื่นไหลไปแล้วก็ไหลกลับมามแล้วก็แต่ยังไม่เข้าใจคำว่าจิตถึงฐานอืมจิตมันยังไม่ถึงฐานไงจิตที่ถึงฐางนนะั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิบาลไม่ได้ไปเพ่ง ไ, งไปเจาะไว้ไม่ได้ไปตรึกความรู้สึกให้นิ่ง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 เด็กเวลากระทบอารมณ์เคเห็นไหมเขากระทบอารมณ์แล้วเขากเกิดปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติเราใช้จิตอย่างนั้นนะเราั่งกระเด็กตัวที่เด็กอย่างมันเห็นของอย่างนี้มันอยากได้มันก็อยากได้จริงๆนะของเราั่งกระเด็กตัวที่พอมันอยากได้เราเรารู้ทันเราเห็นวนะ่ะจิตนั้นเปลี่ยนไปเราไม่ได้ฝึกจิตจนกระทั่งผิดมนษย์มน่าว่าต้องไม่มีความอยากต้อนิ่งตลอดต้องดีตลอด จิตที่ดีที่สุดคือจิตเด็กเด็กจิตซื่ อ, อๆใสๆกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาแต่เด็กพอนาไม่เป็นเพราะว่าเด็กเกิดความรู้สึกแล้วเด็กไม่รู้ทันเราต่างจากคนที่ไม่พอนานิดเดียวก็คือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเราต้องคอยรู้เอาแต่เรยังไม่บังคับให้ความรู้สึกมันนิ่งโยมเข้าใจว่าโยมมีผู้รู้โยมเข้าใจถูกไหมคะ เก่งใจชะเลยมันถูกหรอกคือตัวนี้มันตัวนี้ยมันเป็นฟูดผู้เพลงไม่เนี้ไม่ใช่ผู้รู้สังเกตไหมมันไม่เบิกบานมันมันชื่อทื่อๆอยู่ถ้ามันทื่อๆอยู่ไม่ใช่นะแล้วขนาเนี้ยจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อไหมเนี่ยจิตออกนอกไม่ถึงฐานจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อ ถ้าเรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะมันจะเข้าฐานเองจิตหนีไปคิดมีไหมเ<อ>นะหม็นไมจิตนีไปคิดเนี่ยจิตไม่เข้าฐานั<อ> น, นีไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้รู้ทันว่าจิตนีไปคิดมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วการที่เห็นว่าจิตอยากพูดทราบไหม<อ>มันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกอ่ะนะ่าดันขึ้นมาให้เรารู้ทัน อรู้ทางก็งเห็นว่าจิตที่อยากพูดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เราเจริญปัญญาอยู่ล่ะจิตนี้ไปคิดเรื่อยๆก่อนนะนีน่ไอ้รู้ทางตัวนี้นะเอย่าไปตืป่นควารู้สึกให้นิ่งนะก็จึงไปแล้วก็อยู่อยนี้ทั้งวันนียนะเดีย๋ยต้องอ่อนวันนี้อีกนิดนี่ยอยู่อย่งนี้ไม่ได้นะ สรุความรู้สึกตัวขึ้นมาค่ะแล้วอย่างตอนนั่งสมาธิถ้าเกิดวันไหนนั่งได้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนว่ามีตัวหนึ่งเห็นตรงนี้เป็นคนแปกหนแต่ว่าเราอย่างนั้นได้นะแต่ต้องระวังไม่ให้ตัวที่เป็นคนดูนั้นนิ่งน่ะอย่าไปรักษาตัวนี้ให้นิ่งๆนะ น, นั้ น, <ๆ S 2> น <ะ S 1> คือเป็นเป็นสิ่งที่โยมทําอยู่ค ะ, ะคือไปรักษาตัวที่ดูให้นิ่งค่ะอ๋อไม่ค่อยค่อยปล่อยนะ สังเกตไหมว่าตอนนี้เริ่มจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วคะตัอ้งอย่างนี้ถึงจะดีนะคือตัวที่ดูนี่ไม่ใช่ตัวรู้เหรอคะตัวที่ดูเนี่ยบางทีเป็นตัวเพ่งก็ได้เพรามันนิ่งผิดธรรมชาติมันเป็นตัวเพ่งไม่ใช่ตัวรู้ถ้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระมันเบามันโปร่งมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนี่ยเป็นตัวรู้ไม่งั้เป็นตัวเพ่ง แล้วที่อาจารย์บอกว่าตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวหลใช่เดี๋ยวก็เป็นตั ว, ว, ปตวไปคิดนะ<ต>ถ้าเป็นนักปฏิบัติทั่วไปก็เป็นตัวเพ่งอีกคนเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงถ้าดูกให้เห็นมาทุกตัวเราไม่เที่ยง อ, อย่าปิดก่อไว้อย่างนี้นะไงั้นจะนิ่เกินปล่อยให้มันทํางานะ กลับมารัศการหลวงพ่อค่ะคือจริงๆก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของพ่อได้ไม่นานก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกก็จะจะสวดมนต์จะชอบสวดมนต์ใช่ไหมคะสงบาน่ออะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนสวดมนต์ไปพอสวดมนต์ไปนะจิตใจสบายรู้ว่าจิตใจสบาย ส่วนวนไปจิตใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบต้องเข้ามาดูจิตเป็นแเราพอเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็จะรู้สึกว่าจะชอบจะชอบคิดเขาก็ชอบแต่ว่าหาจะชอบอยากจะรู้ว่าที่ทำนี่ถูกไหมแต่ชอบขาดขับตัดสินอาะาะให้รู้ทันว่ามันอยากรู้รู้ทันไันเข้าไปเลยแล้ ว, ลวเวลาที่เวลาที่ทาทำ หมายถึงว่าพยายามจะรู้เนี่ยเราสามารถบอกนำได้ไหมว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้ไหม่ะแต่เราผิงคิดเอานะยังไม่ใช่วิปัสนาแต่เบื้องต้นเะ็คิดออกก่อนก็นไม่เป็นไ ร, รใช่ได้ให้ฝึกกลุ่มปั้นอะไรเนี้ยชื่ออะไ ร, รชื่อปั้นอนะดีเดากจ้องนิ่งๆนะ รู้ส hm like ึกไหมรู้นเต้นเลยก็ได้นะเม่อกี้ไปวนิ่งไปต่อไป่งสี่สามแล้วก็หนึ่งสห้าที่ห่งหนึ่งสี่สามหนงร้าห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งหรือสี่สาสองได้มคะหสุยด ขอหายควาค่ะครับคราวน้อมสการครับหลวงพ่อมีหนึ่ง้าห้ามีทั้งหมดห้าคนนะครับหนึ่ง้าห้ามีทั้งหมดห้าคนคราวนี้ให้ผู้ใหญ่ถามก่อน เพราะว่า อ, อยากจะทราบเวลาคือว่ามีการนั่งสมาที่มาแต่อ่อเปรยๆแล้วแต่เวลานั่งจริงๆจะไม่นิ่งค่ะ อ, อ, อืมจะคิดโน้นคิดนี้แต่ก็บาที่ก็แบบรู้ตัวสันติมาแล้วทำเรานั่งขมาี่อยู่นะเคล็ดับของกันทําสมาธินะถ้าต้องการให้จิตสงบจิตต้องมีความสุขเนี่ยเราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์กรรมฐาน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 ไม่ใช่ว่าไปนั่งหายใจไปนั่งพุโทโธเราไปบังคับจิตนะยิ่งบังคับมากจิตยิ่งเครียดจิตไม่มีความสุขจิตไม่สงบใ น, นเคล็ดลับอยูที่ต้องมีความสุขหรืออย่าสงบบา ง, บางที่ก็บังคับตัวเองเราบั ง, บงคับมันยิ่งมโมโหไม่สงบหลอก <c oughs> แล้วมันมีเคล็ับหน้าแต่ละอย่างค่ะตอนทีน่ใช้ก็คิดว่าทําไมจิตตื้นตันหรือว่าอย่างไรแต่ก็รู้นะคะว่า ง่ายๆนะง่ายๆเลยนะเช่นเราสมมติเราพุทโธหรือเราหายใจหายใจไปแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธหรือหายใจนะจิตนี้ไปคิดรู้จิตนี้ไปคิดก็รู้ไม่ว่ามันแค่รู้ทันว่ามันลงกันแล้วพอเรารู้บ่อยๆมันจะค่อยสงบสงบค่อยเชื่องขึ้นแต่ถ้าเราเป็นโมโหนะไม่สงบเพราะเวลาจิตใจโมโหจิตใจไม่มีความสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขจิตใจจะไม่สงบอยากเคล็ดลับมันอยู่เท่านี้แหละ แต่กว่าจะได้เช็ดวิชาแต่ละอานนั้นโหดฝึกกันเยอะเลยคับขอบคุณครับการ์ดกายนี่ส่วนตัวอยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าจะใช้วิหารธรรมในชีวิตประจาวันเนี่ยที่บอม ก, กับตัวเองควรจะใช้เราทำงานที่ต้องคิดเยอะนะ ถ้าตอนที่เราคิดเรื่องงานเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเวลาที่เหลือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปได้่อยให้เห็นได้ง่ายใช้จิตเป็นยากนะท่านครับตอนนี้ข้อหนึ่งในรูตสวยในตูยตอนนี้เนี่ยเนื่อวจากว่าต้องมีทั้งภาษาไทยภาษาอกติมุ่งคั่งเยอะก็ย ถ้า่้เราคนจะสอนเขาอย่างไงดีสอนอะไรสอนคำธรรมนะีก็บอกว่าอ่นรู้ว pues ่าโแบบอเราแ้เข้าใจวาอะไรคือหนอกว่าสอนภาษาฝรั่งไปเลยศาสนาไม่เกี่ยวกับภาษาคือเราอเป ประเพณีอะไรนั่นนะกับตัวธรรมะไม่ได้โคลานกันภาษาวัฒนธรรมกับตัวธรรมะโคลานกันเงียงถ้าเราเด็กมันภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะเอาภาษาที่เขารู้เรื่องแต่พเขาเรียนรู้แล้วนะจิตใจเขาเขาคัฒนามเหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวกับภาษา เปิดใหม่เลยสิเปิดแค่จิตออกนอกบ่างจิตดีป็อยู่ที่คนนอนหมดเลยโอเคกับบรรณาการหลวงพ่อค่ะอืมเขาได้กล่าวสามรอบถูกต้องตามวัฒนธรรมว่าไงก็ได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ รู้สึกว่าตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตจิตใจก็สบายขึ้นแล้วก็การกระทำทุกอย่างในชีวิตป็จำวันก็มีคุณภาพยมก็วันมันก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าใช้การทำงานเข้ามาจิตใจหยุดแต่ทำงานแล้วก็เมื่อเวลาเจ็บเมื่อเวลาเหนื่อย ก็จะไม่ห่าไปไหนเออก็ mm. จะาามาฟั้งธรรมะแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะในเวลาทั้งวันเนี่ยก็แต่แล้วก็มานั่งในเวลาก่อนคืนก่อนนอนก็จะทํำชมาทิสุบนแล้วก็ต้นที่นี้ค่ะแล้วก็ก็เรื่องไหก็แต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากกว่าที่จะไม่มีของเราใช่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 มีเวลาให้เราหายใจเยอะเลยรู้สึกตัวเอี่ยงบางคนเป็นมะเร็งป่วยเจ็บปวดไรน่นะถ้าดูให้ดีมันไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีเวลาที่ไม่ป่วยด้วยแต่ว่าพอไปเมาว่าฉันป่วยนันเป็นมะเร็งนะฉัวยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยก็ทุกข์เยอะถ้าเรามีชีวิตอยู่กัปัจจุบันเป็ น, น, นนะคณะคณะก็ช่วงนี้มันร่างกายมันป่วยใจเราเร็นคนดูช่วงนี้ร่างกายหายป่วยใจเราแล้วเป็นคนดูมันก็มีเวลาที่มีความสุขอยู่ได้ ทีแล้วฝึกไว้ใครใจลอยบ้างน่ด้วยไม่ยอมั่างมาหาคอะไรนะพ่สอตายายปกตินะ คนที่ไปบานะ้านหลวงพ่อเนี่ยไป เ, เป็นครอบครัวสมม่วมากทีแรกไปคนเดียวกันแล้วความชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนคนรอบๆตัวมันสนใจมากันทั้งบ้านอะ่ะปกติดีใช่ได้นชีเป็น่พอรู้รก็ตืน ไม่ใช่ปัญหานะตัวนายเต็นรู้ไปแต่ว่าสังเกตไหมว่าใจเหมือนเป็นคนดูกใจขนาดนี้ที่เราฝึกมาได้ขนาดนี้นะสิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและ้ะขันมันแยกออกไปหมดละถ้าใจนี้ดูไปเลยขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ต้องคิดหรอกมันจะเห็นเองที่ทําถูกแล้วนะไปสอนทางครอบครัวให้ได้นนะเขาบอกให้สอนเองได้หมด ทำถูกแล้ ว, วามากเอาข้มาหล่อกันซะด้วย <laughs> ดล้วก็ฟัเป็นดีสามแล้วก็มาเรียดการแต่ทุกวันก็ฟังฟังตลอดเขวี่ยพระสวดม น, นต์นั่งสมาิ ่ออกพอก็ฝึกนะฝึกมันถูกแล้วนะแต่ว่าฝึกให้บ่อยๆคอยดูไปเรื่อยไม่รีบร้อนว่าจะบรรลุเมื่อไหร่ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆที่ทำก็ดีแล้วขอบคุณดีมากนะหลวงพ่อเนื้อไม่ถึงเลยว่าดำริการมีคนภาวนานแบบนี้ใช่มเป็นคนแรกเลยมาพบพ่อ พยายดูร่างกายเยอะๆเลยนะเอออย่าทิ้งกายนะเราก็เป็นคนรักกายอยู่งั้นร่างกายเราหายใจเรารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกเรจะเห็นจิตชัดเย <c oughs> อย่าไปทิ้งร่างกา ย, ายรู้สึกแม็กในร่างกายเลยแค่เห็นร่างกายเป็นยักษ์หน้าใจเป็นคนดูไปแลนะขอบคุณนะ ไปเพ่งไว้นะหลวงพ่อชมเลยไปเพ่งไว้เนี่มันแน่นหลวงพ่อชมคนพังมาเยอะแล้วเบอร์ป้าค่ะแปห้าเราก็เบอร์ปยี่ใจก็ปล่อยนะทีครตัวออกนะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่ะ ลกนี้ว่างกล่าจากสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนได้บ อ, อกไหมตัวเราไม่มีด้บ อ, อกไหมเห็นไมกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราทำถูกแล้วทำเปไน็นแลวน้ำมัสการ็จแล้วก็ดีใจค่ะนว่าจะไม่ได้ไม้ผดาบัดมาได้สองปีแล้วก็เห็นกิเลส มีฟงร้างกับโทรศัพท์เป็นพื้นใช้ได้ดีแล้วก็ทำสมาธิไม่ได้แค่สวดนโมสามจบก็ยังไม่ค่อยจบให้จบกะะ็แล้วมันโค้งค่ะ <c oughs> ถึงขนาดนโมสามจบมันค้งมากก็เลยสงสัยให้นึกว่าสงสัยผ่านไปเลยสวดมนต์บ้างแต่อย่าหวังว่าจะสงบ <c oughs> สวดมนต์ไปแล้วค่อยดู จิตฟุ้งไปเรารู้ทันสวดต่อจิตฟุ้งไปเรารู้ทันไม่ต้องนับจบก็ได้<ช>นะจิตจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตมันหนีไปนีที่คิดส่วนให ญ, ญ่แล้วก็มันนโมตัสสะฆะขวะตรอันี้ไปแล้วเขรู้สึกมาสวดต่อสัมมาสัมพุทธัสสะนีไปีกแล้รู้ทันฝึกบ่อยๆวันหนึ่งสวดหลายๆจบก็ได้สวดเล่กๆสวดแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันหนีจะได้สมาธิขึ้นมา คิดว่าเป็นพวกฟุ้สซ่านดูจริงหอป่ะคะใช่กรรมฐานที่เหมาะกับคนฟุ้สซ่านนะก็หายใจไปรู้สึกไปหรือสวดมนต์ไปรู้สึกไปก็ได้ก็มีให้บ้านให้จิตอยู่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับสวดมนต์ก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านล้ารู้ตันเอาจิตจะค่อยสงบขึ้นเอง มาสักการของพ่อค่ะเอ่อเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักของพ่อแล้วก็เพื่อนคนแนะน้ำเป็นครั้งแรกที่ของพ่อรู้จักคนแนน้ยนำยให้ให้ฟังซีดีหลวงพ่อใช่คะก็ปฏิบัติทำตามท่านสอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยกําลังจะล้มตัวนอ น, นอก็แยกแยกใจกับการออกกําลังกายนด้ใช่ไหมคะเสร็จ แ, แ, แ, แล้วก็พอทําทำอยู่สักพักก็ทักเสร็จคิดมากแล้วว่า เอใส่รักนี่คืออะไรคทำไมมองคิดมากมยากนาน <c oughs> สังเกตไหมตัวที่นอนอยู่ใจเราเป็นคนดูตัวที่นอนอยู่มันไม่ได้บอกเอลยนะว่ามันเป็นตัวเรานั่นแหละมันสแดสดงใจรักแล้วสแสดงความไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว แ, แล้วก็พักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำมากเพราะว่า ง, งานยุ่งมาก <c oughs> แต่ตอนนี้งานค่อยยิ่งชั่วลงแล้วก็แต่ว่าเวลา คิดอะไรมากมากคิดเน่องงานมากก็กลับมาเหมือนกับว่าสติเราเตือนเราให้กลับมาเองแต่ก็เหมือนกับไม่เคยคิดว่าจะทําได้แต่ว่าพอนั่งนนั่งนันนนี่ก็เสกเตือนว่าเราลืมไปแล้วนะนนนนไม่ทราบว่าจะทําถูกไหมคือคิดว่าจะต้องมีอะไรต่อไหมค ะ, ะฟังซีดีหลวงพ่อไว้เวลามันหลีไปแล้วมันจะกลับมาเร็วเดี๋ยวทำต่อได้ไม่ยากแล้ว่ะแต่ แต่มีความสุขขึ้นนะคือแบบว่าทุกน้อยลงแล้วแบบว่าอยู่ๆก็คิดว่าเอเราก็มีความสุข ข, ขึ้นนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเรา<ช> เ, ปเป็นอย่างนี้คือคนในโลกนีนะ่หาความสุขจากข้างนอกนะพวกเราได้ธรรมะของพระเจ้าเรารู้สุด ข, ขึ้นมามีความสุขจากข้างในออกมาจิตมันรู้มันตื่นมันเนบิกบานโลกนี้ทุกแทบตายเลยปัญหาในชีวิตเยอะแยะเลยแต่เราอยู่ก ม, มันได้อย่างมีความสุข เราเราคิดว่าเราสู้กับโลกได้ทุกแบบมาแบบไหนรับได้แบบทุกอย่างเลยพยายามประมาณนะไม่ไม่ประมาณแตก็พยายามที่จะจะทำต่อบางทีก็ลืมตัวไปอย่างเนี้ยแต่ก็พยายามพอเราลืมตัวปั๊บสติสติจะกลับมาให้เราเห็นเลยว่าเราลืมตัวไปแล้วโอเคไม่ไม่ถึงขนาดอย่ากลมากค่ด้ใช้ได้นะหลวสติมันมาได้เองแล้วล่ะ แต่วัดนี้ดีนะมีรถไฟให้ดูด้วยวัดหลงพ้ออยู่ในเขาไม่มีรถไฟเขาของคุณหนาที่ต้องระวังถึงการประคองตัวรู้นะอย่าไปประคองอย่ารักษาปล่อยให้มันเกิดดับตัวรู้ก็ต้องเกิดดับงังนีม่ติดอยู่ยมันไปต่อไม่ได้ ตอนนี้ดูไปไม่มีตัวเราตรงไหนตัวเรามาจากความคิดทั้งนั้นเลย ต้องกาลาเนี่ยกโมงเาตนนอไยเขาขึ้นไม่ออกอ๋อไม่ต้องถามอะไรการปฏิบัติไม่ต้องการถามเยอะอะไรหรอกคอรู้ทันใจของเราไว้ก็แล้วกันใจเรามีความสุขเรารู้ใจเราตื่นเต้นก็รู้ใจดีใจร้ายไปรู้ไปเรื่อยเรารู้ไปเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชัว่วชั่วคราวไปหมดเลย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 ตัว น, นี้มันไปถึงว ป, ปล่อยมาสักการหลวงพ่อน้ำมาสการหลวงพอ่งพอค่ะยายจะถามยายจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติหนูรู้สึกว่าหนูก็ติดนิ่งเหมือนกันไม่มากครับติดนิ่ง น, นหน่อ ย, อยพองาม <laughs> ไปดูใจนะถ้าใจมันนิ่งก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดู ร่างกายยังไงมันก็ไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวมันก็หายใจออกหายใจเข้าเราเป็นคนดูไปด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่ อ, อไหร่ใจเรานิ่งไม่มีอะไรให้ดูมัมาดูกายไหมรู้สึกว่าพี่เขบอกให้พิจารณาหนูพิจารณาให้ได้ไม่ต้องคิดเอาหรอกนะคําว่าพิจารณาเนี่ยมันมีคําภาษาบาลีคําว่าวิจาร์วิจาร์ไม่ได้แปลว่าคิดมิต ก, กับวิจารณ์นีิตก็ว่าตื่นเลกคิดเอา วิจาร์เนีเป็นการที่ใจมีคล่องเคลียวิตตกเช่องกระสุนว่าเรารู้ลมหายใจอยู่จิตเราจับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีวิตตกจิตใจเราคล่องเคลียอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปจากลมหายใจเรียกว่าวิจารณส่วนการคิดพิจรารณานะั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานอย่างบางท่านานั้นภาวนาพุโทโธพุโทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตนิ่งเฉยเลย อันนี้ก็ให้มาคิดพิจารณาร่างกายนะคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นั้นเองนี่ไม่ใช่มิปั ส, สนาแท้นะมิปั ส, สนานะเลยคิดไปเคยคเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยบ้ะเคยมีไหมหลวงพ่อเขาเรียนจากหลวงพ่อพุทธนะรูกศิษหลวงพ่อพุทธได้เหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อออกมาเผยแพร่ บอกว่าพูดตรงว่าสมถนะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนั่นจัดแต่ที่เรายัางคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนาแแต่บางคนต้องคิดพิจารณาเพรเวลาจิตทำความสงบแล้วมันติดปิดนิ่งติดเฉยอยู่ก็พยายามมาคิดเรื่องร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอสุภาอะไรเงีเ้ยในการกระตุ้นให้จิตมันทางานให้มันหัดดูใจรักแต่ตรงที่มันดูใจรักของมันไดเองแล้วนะถึงจะเป็นวิปัสนา ดังนั้นบางทีก็คิดนาําเอาใจลอยรู้จักไหมใจลอย <c oughs> ใจลอยก็ใจหนีไปคิดเมอตอนที่มันหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมนะอันนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยอีกหรือ ย, ยังฉ้นหนีไปคิดอีกเลยขอาคุณนะดูจิตตรงๆยังไม่ได้เราดูกายไว้ด้กกยดวยไปดูจิตตรงๆดูไม่ทันมันหนีไปคิดซะก่อน ค่ะคืไป้แล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้บคือโนมีวว่าชีวโอมีความส็จมากขึ้นแล้วก็ยตัวเองเป็นคนที่้าโลกโกรธ่ก็น้อยลงนะคะ เราอย่าไปคิดภาวนาเพื่อไปปับมันนะเราคิดภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้ะยังตั้งเป้าการปฏิบัติให้ตรงก่อนไม่ได้เอาชนะกิเลสเหรอกแต่ให้เห็นไลว่ากิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับ เ, เราบังคับมันไม่ได้ะสิ่งทั้งหลายมันแต่อยู่นอกอำนาจการบังคับถ้าตั้งเป้าให้ถูกการภาวนาง่ายให้คิดจะเอาชนะกิเลสน ย, ยากที่สุดเลย กิเลสเนี่ยไม่มีใครชนะมันนะแต่ถ้ารู้ทันนกิเลสก็ไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสจะได้ตันทีเปลือกกิเลสไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสมันต้องหายไปไม่มีไม่ใช่กพ้าเราเก่งแต่เป็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุใช่เหตุของมันอยู่เราไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ขาดสติด้วยสติเองก็ไม่เที่ยง สติเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ว่าพอเราฝึกจนจิตชนานาญที่จะมีสตินะสติก็จะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นจะทํางนานเต็มที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเลยร่างเนีโย<ม>นรู้สึกว่าโยนเห็นใจต่อจิตมันไปสลับไปสลับใช่ได้ไอเกียรไม่กายเขาไม่ใช่เราจิตเขาทํางานได้เองที่ฝึอกอยู่ถูกแล้วล่ะ ขันมันแยกออกไปแล้วแล้วเอาขานี้ะเป็นพวกที่อะไรคะือจะพวได้ไม่ไม่ไม่มีตัญหาต้องทุบเลยนะกิเลสอะไเกิดเรารู้ทันเราเลย่วยก็ถูกต้องแล้วนะไม่ให้ต้องทุบหรอกไม่ต้องทุบ ไม่มากอ่ะนะกิเลสพื้นๆธรรมดาธรรมดาไม่โดดเด่น กนเก็ได้สมาครับด Welcome to America นะครับ ดูจิตผู้รู้แล้วมันหายตัว<ด>ไมนกด้ทายังไงต่ออย่ า, ไ, ยาไปจงใจดูตัวจิตผู้รู้เพาถ้าดูเมื่อไหร่มันจะหายไปคนมันจะกลายเป็นผู้รู้ซ้อนไปเไรื่อยๆตัวที่เป็นผู้รู้อยู่พอเราจงใจไปดูมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้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 ะกําลังเดินจงกรมค่ะอพอเริ่มเริ่มทางเดินจงกรมจิตมันก็คิดวิตกกังวลเยอะแยะโน่นนี่โน่นนี่แล้วจิตตัวเดิมก็หักไปเ็นตัวที่กระโดดคิดแบบอยู่ที่จุดเอเป็นตัวที่เห็นเนีอยู่ที่จุดสี่บอกอ้ามัวจะคิดอยู่ได้เขาเดินไปรู้แล้วจิตเนี่ยตรงนี้ก็หันไปเห็นการที่เราเป็น กายก็ลงเดินเดินเดินเดแต่ไม่ได้เป็นกายค่ะมันเป็นควันสีเป็นควันสีของขาวจางๆลอยลอยเสร็จแล้วจิตนี้ก็ก็ลงดิ่งลงดูที่ตัวเองแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วเราอคือในในใจเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีแต่ตัวจิตเนี้ยมันก็พูดออกมาเองว่าอ้าวถ้าเราไม่มีนี่ แล้วตัวจิตเนี่ยก็วิ่งไปที่การเข้าพุงห่วงลอยเข้ามันมันเนีห่วงอยู่เนาะถ้าถ้าเกิดปรากฏการอะไรขึ้นมานะไม่สําคัญนะปรากฏการอะไรเกิดขึ้นมาเราคอยรู้สึกตัวคอยดูจิตใจของเราเป็นไงงั้นถ้ามันแยกออกไปมันเดินไปนวดแล้วใจไม่เกิดฟ่วงขึ้นมา จเจ้าคืออะไร่านี้รู้ทันใจที่ห่วงขึ้นมาเลยใครรู้ทันจิตไว้ รู้สึกตัวไปนะ<ร> อ, อย่าไปิ้งบอสอพ ะ, อะนัน่นอาจจิตมันเข้าสมาธิไปอ่าน่ามันหนีเข้าสมาธิไปแสดงว่าคนเนี้พูดไม่น่าฟังจิตมันเบือ่อเต็มทีแล้วหลบเข้าสมาธิไปเลยใช่ไหมแล้วแต่พยายามพยายามรู้สึกตัวนะกลับมาที่ร่างกายบ่อยๆ ถ้าอยู่ๆจิตหนีไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ดีหรอกมันเป็นการหนีโลกไปชัว่วคราวยังดีนะบางคนมันไปแล้วไปเลยนะมันไม่ยอมต่อยออกมายังดีที่มันกลับมาอมอ ว่านั่นนั้นอย่างนั้นจืมันจะมีจิตตัวหนึ่งทางานนะจิตตัวหนึ่งรู้เชื่อต่อไปเรื่อยมันจะรู้ตามหลังไปจิตติตนะอย่างตัวนี้กลบนตัวนี้รู้เอ้ยมีตัวนี้รู้ใ้ายตัวนี้รู้อยู่อะไรนะจะซ้อนๆนอนจิตมันจะเกิดตับไปเรื่อยร่อยไอ้อย่างนี้ยดีไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ๆจิตว่างสว่างจ้าไปเลยนะจิตหนีเข้าสมาธิไป พยายามรู้สึกตัวไม่ให้มันหนีไปเมื่อคนไปเป็นดีตอนขับรถนะจ้าไปเลยก็ไม่รู้อยู่ไหนเลยยกยกไม่หนียกไม่หนิอาว่ามาขากำลังทำงานอยู่ใกล้เที่ยงละเหนื่อยมากก็จิตกายนี่ก็เดินเดินเดิไป จิตก็รู้แบบลอยๆอืมเดินเดินก็รู้ลอยลอยอยอไปงขั้นฝึกมันรู้ขึ้นมาปุ๊บมันก็มันเคนอ่ะมันมันเคนมากเลยว่าอ้ยมันก็เหือจะตายอยู่แล้วไอ้จิตเนี่ยวันเดียมต้องรู้อีกมีแล้วเห็นความแข็อยู่ตรมแล้วเ็นความเบือหมือะิวไปทงานด้วยกันนะทางาน ใจเราเป็นคนดูดะะนั้นใจเราติดอารมณ์นะใจมันมีความหุดหงงิดไม่พอใจมีโทสะแทรกเลยให้เรารู้ทันไปใจได้เป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาขอบคุณค่ะอย่าให้ติดสมาธินะนอย่าห น, นีไปหาสว่างสว่างไม่ดี ใจลอยปะหนีไปหมดเหร อ, อ <c oughs> ไม่ค่อยรู้ทันนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจก็ลืมไม่ได้เดินปัญญาหรอกเพราะงั้นเจสคุณปรชยถามว่างงระวังสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าตอนที่ทำสมถะก็จะมีอารมณ์กรรมฐาน น, นันนึงแล้วก็พอจิตไปคิดก็จะกลับมาที่อารมณ์ แล้วถ้าจะกลับมาที่อารมก็ต้องดูว่าไปที่อื่นอยู่แล้วอืก็เลยงงว่าควรทำยังเวลาที่จิตเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่เดินวิปัสสนาอย่างเดียวหรอกจิตจะพลิกเป็นสมถะในช่วงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าจิตดีไปคิดรู้ว่าดีที่คิดนอันนี้มีสติรู้ทันละถ้าจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นเลยว่ยจิตมันหนีไปคิดได้เองมันไม่ใช่ตัวเราคิดหรอกอย่ันนี้เป็นวิปัสสนา แต่พอรู้ทันปัาบว่ามันนีกพิชิดแล้วมันจะกลับมาตั้งใช่ไหมเป็นสมถะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยงั้นเวลาที่จิตทำหิพิชณานะจะมีสมถะเป็นแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆโลวงพาอเคยงงนะหลวงพ่อทำสมถะนั่งรู้ลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าเข้าสมาธิมีวันนึ่นไปสง่งงานบ้านหลวงปูด่ดุลนั่นบอกว่าจิตเข้าสมาธิไปเฉียงกันเนาะ ให้ผมไม่ได้ทําสมาธินะถึงไม่ได้ไปรู้ลมหายใจเลยดูจิตอยู่ดีๆเนี่ยให้ว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่เลยบอกว่าขณะที่เราดูจิตมันใช้สมาธิอัตโนมัติเพราะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตพอตรงที่เห็นใจรักเนี่ยจะเป็นวิปัสนาตรงที่ไม่ได้เห็นใจรักเห็นสภาวะอันเดียวปรากฏอยู่จิตไม่หนีจากสภาวะนี้นั้นสมถะรตรงที่ทําวิปัสนาเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสนา แต่ถ้าตอนทำวิปัสนาไหม่ลิกเป็นสมถะตอนทำทำออตอนทำวิปัสนาจะเข้ามาเป็นสมถะเออพี้ยกลับมาแต่ถ้าทำสมถะอยู่มันไม่ค่อยไปิเป็นวิปัสนางงไหมเสื้อเขียว <c oughs> เห็นไหมงงงงรู้ว่างงแงรู้ทันมันง่ายแค่นี้เองนะง่ายแค่คอยเราคอยรู้สึก รู้เท่าทันจิตของตัวเอ ง, จงเองจสสิป์ฟังอยู่ที่วัดตรงพอ่อเป็นปีๆเลยปีหนึ่งล้วกลับมาทำงานอยูแคนาดาสามสี่เดือนเก็บเงินแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆวัด ไนั่งฝังทุกวันทุกวันนะเคยเห็ไหิตเราเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมมีชักกระสับกระสายแล้วะสับกส่าย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 อ น, นี้ใช้วิธีดูพองยุบนะครับจนถึงจิตใจสบายแล้วพอมันสบายมันก็เจอใจก็จะวางตัวไวสัตว์ที่หนึ่งในร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เขาเห็นไม่ค่อยมีความคิดแต่จะมีความคิดเล็กเลกเล็กๆอื ก, ลกแล้วก็พอเห็นแล้มันหายเห็นแลมันหายครับแล้วก็ขอบทาได้นําหลวงพอ่อคืออย่าไปเพ่งนะไยเพ่งชิดใหนิ่ง วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําให้จิตใจเราผิดไปจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเห็นการทํางานของกายของใจได้ตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองแต่ถ้าสมถะกรรมฐานเราไปเพ่งไว้ไงกายก็จะนิ่งๆใจก็จะนิ่งๆทุกอย่างมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปเราคิดว่าทํำวิปัสสนาบางทีกลายเป็นสมถะโดยไม่รู้ตัว ใจจะแข็งแข็งหือได้ว่ามามเลยไม่ได้กับมาเลยค่ะแต่มีความรู้สึกว่าหมดรืองแบบนี้แล้วในสามคนไหนว่ามา อ้ว่ามนเลยทางน้องให้เขาคุยกันไปก่อนค่ะลูปฏิบัติได้ีึ้งแต่ตงได้นยอืออือขออาันไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยก็รอเดกขอการท่านแล้วก็ขอุมารุณอย์่พี่พี่ิ๋น้องเจแล้ก็คนที่ขา่านู่นอือวมาเอง กายต้องไม่ทิงสมถะนะถ้าทิ้งแล้วมันดูไม่ได้จริงเพราะงั้นการที่เราทาสมาธิขึ้นมาแล้วทาสมาธิได้ถูกจิตเป็นคนดูเห็นกายทางานส่วนใหญ่ทาสมาธิแล้ว น, นิ่งๆกายก็ไม่เห็นจิตเขาไม่เห็นอย่างนั้นไม่ดีตอนนี้จ้งเพราะว่าใจ้ ดออกแต่สัญญาแล้วก็สังขารเนี่ยมันจะปรุงไปเรื่อยก่อนแล้วสัญญาดูได้สัญญาสัญญายังไม่ต้องดูนะเอาไว้ก่อนแปลไว้ก่อนดูกายดูเวทนาดูจิตดูจิตก็คือจิตตสังขารการดูจิตตสังขารนะดูตามหลังปรุงไปก่อนแล้วรู้ว่าปรุงไม่เหมือนดูกายกับเวทนานี่ดูลงปัจจุบันสดๆร้อนๆได้ อืสัญญาที่ทำยังไงก็ลงไปน้ำไม่ได้สัญญาปล่อยไปก่อนเนีย่ยไปยุ่งกับมันะบางคนไปยุ่งกับสัญญาไปแทรกแซงสัญญาเพี้ยนเพียนไปเลยก็มีแขวนทิ้งไปก่อนนะไม่จําเป็นคือท่านหมายความว่าดูตามเรื่อยๆนี่จะไปที่ต้องของที่ลงไปรักหรือไ่ครคืออย่าไปดูสัญญาให้ดูสังขารซะสัญญามันเป็นตัวจุดตั้งต้นทําให้สังขารปลุกแต่งตัวได้ เช่นเรานั่งนั่งอยู่นัหน้าหอกคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วจีก็ป ล, ลุกมันเป็นสังขารมาะให้รู้ทันสังขารเลยไม่ต้องไปยุ่งกับสัญญานะปล่อยไปก่อนยุ่งกับสัญญาเราเล่นยากต้องอยู่ใกล้ใกล้ครูบาอาจารย์เดี๋ยวสัญญาวิปัสสนาจะมีสติไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วล่ะ ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่านะมันดีขึ้นตั้งเยอะแล้วอย่าไปเพ่งแค่นิ่งก็คือที่ที่เาา้นเพราะว่าคำิมที่เคยอาาอาจองค์เือาันบอกว่าถ้าจะทให้ได้ต้องมีสเข้าใจคนี้มดี บางคนก็ต้อใช้สมาธินําปัญญาบางคนใช้ปัญญานําสมาธิบางคนใช้สมาธิกับปัญญาพวกกันนะเส้นทางแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเหมาะกับเส้นทางใช้สมาธินำํำเราก็ใช้ไปล้วก็มาดูกายนะแล้วก็กายดูไปเรื่อยๆกิเลสเราเกิดเราก็รู้ทันเรานะอย่างเช่นกูเก่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้ทันเร า, นะอาเอไอ้คนจัดไหนนียคนจัด อ้าวเนสติหายก็ลำบากแล้วสตางค์ัหายอีกแล้วือกีอเอยแล้วก็ร่งตาังแต่ว่าจิมันก็คิดคุ้มซ้ำบางทีดู่านนะดูม่ห้ามันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ทุกสังเกตดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของมังคับไม่ได้แค่นั้นเองดีนะเมือง หอน้อยไปค่อยๆตัดให้รู้บ่อยๆพองเราพ่เคยฝึกนะว่ารู้ตัวแล้จิตจะต้องถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ด้วยนะพยายามจับเวลาตอนเป็นโยมวะาในสามวินาทีเวลา ท, ที่จิตไปเกาะกับอารมณ์เนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วสามวินาทีจิตจะต้องเป็นอิสระขึ้นไหได้เผื่อรดควาตายแต่ว่ามีเวลาสักสามวินาทีก่อนตายก็ตื่นขึ้นมาให้ได้อีที่เปิด ให้จิตไหลไปแล้วคอยรู้สึกจิตไหลแล้วรู้สึกบ่อยๆคุณมอเมื่อผเตอน่ะที่เมาทาใจเยอะมากแต่จังหวะที่เสมากมันจเขึอ่านแล่าอยากทำเพราเป็นเอามนเป็นเองมันแบชัดเจนว่าทังนั่นแหล ะ, หละถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะธรรมจะช่วยเราเองเราไม่มีทางไปอภ า, ายเลยถึงเวลายอย่างนั้นนะแต่มันไม่เกิดยอย่าอยากสิ <c oughs> มันไม่ได้เกิดเพราะอยากนะนจิตรู้ทั น, นดีออกมาเลยนนืก ถ, ถูกแล้วหมลวยเห็นว่ามันไมู่อไมู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ยังเห็นด้วยเจือด้วยโทษศันะ <c oughs> มันไม่ใช่ตัวนี้พิธาแท้ ใจมันนี่มีความเหนื่อยหน่ายมีความชิงชังรังเกียจมีความไม่ชอบอยก่เพืานะฉะ น, นถึงก็เห็นทุกข์แต่เนี้ยก็ยังไม่ใช่ตัวนิพิทาเบื่อยังไม่ใช่นิพพิทานะให้รู้ทันจิตซึ่งมีโทสะแทรกรู้อีกกระทั่งโทสะไม่แทรกเราเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยหน้าเบื่อเท่าๆกันเห็นกุศลกอกุศลหน้าเบื่อเท่าเทกันเห็นความปลุงแต่งทั้งหลายเป็นของหน้าเบื่อทั้งหมดเลยเะราะฉะนั้ น, ะนถึงดี อันนี้เบื่อเพราะว่ามันอึดอัดคับข้องมันอยากหลุดจากอันนี้ไปอยู่อีกอันหนึง่งถ้าไม่ชอบอันหนึง่งแล้วจะเอาอีกอันหนึง่งอันนี้ยังไม่จัดเป็นนิพพิทาต้องดูอีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีก็มอครักษาของพ่ะมรับก เป็นตัวแทนของชาวแคริฟเนียภาคใต้ขออลัสนาหลวงพ่อในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปโปรดชาวแคลิฟอเนียภาคใต้วันนี้มากันหลายสิบเกือบครึ่งหนึ่งของที่นี่มังครับจากทางลอสแองเจลิครับห <c oughs> ลับทรานะคือหลวงพ่อไม่ไม่ได้รู้จักสักที่หรอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เลยบอก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 ไหนคนแนกมียกไปสิโอโหเยอะเลยเยอะเลยเนาะสองครอบครัวมันัไกวพ่ไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ไหนไกลๆร้อยเอ็ดหรือเปล่าน้อยกว่าหลวพ่อนั่งระเบียงมันเข็ดเลย ก็ดีนะเรามารู้จักกันมนาะนะคบกันมีธรรมะเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีกิเลสเป็นศูนย์กลางคนใหนกม็มาคบกันเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวเขาคบกันด้วยผลประโยชน์นันก็ระแวงซึ่งอะไรกันไว้ใจกันไม่ได้คบกันด้วยธรรมะอารมณ์เย็นที่ว่าหลวงพ่อเรานะไม่ควรไปประจําเนี่นะเยอะเลยจนกระทัรู้จักกันนะเหมือนยากเหมือนอะไรกัน ค ว, ความใกล้ชิดเป็นยากไม่ใช่ว่าความใกล้ชิดเป็นยากอย่างยิ่งแค่เราแต่ละคนมาใช้ชีวิตที่ห่างไกลบางคนก็คุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนยังเหงาอะไรมีความทุกข์ไม่ใช่บ้านเราแต่เรามีธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งเราธรรมะไม่เคยทิ้งเราแล้วถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะสักก่อน เมื่อใจเราคอยคิดถึงพุทโธพุทโธไว้ก็ได้แล้วใจเรานี้ไปเราค่อยรู้คําว่าพุทธศาสนาพุทธเนว่าเราเป็นชาวพุทธอะไรคือพุทธะพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานเองงั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตบ่อยๆจิตนี้ไปเรารู้รู้ได้จิตจะได้ตื่นที่มันมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ หลวงพ่อลงจากเครบินมาไม่มีควรู้สึกว่าต่างกับเมืองไทยนะสมัยก่อนไม่ได้นะออกนอกประเทศไปถึงอีกประเทศหนึ่งรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่นี้มันเหมือนกันหมดเหมือนกันอยู่ตรงไหนก็เวยๆแล้วเราฝึกนะแต่เขาไม่มีคําว่าอยู่ไกลบ้านไม่มีทุกที่ที่เราอยู่เนี่เราคือที่ที่เราฝึก เราไม่ได้ห่างไกลธรรมะไกลประเทศไทยแต่ไม่ได้ไกลธรรมะจบแล้วเนาะหพ่อจะได้ไปเชิกรารครับดวมพ็เเรียงไส่กับบอกไมมาไม่ไปที่กองศพไปกัวแทงถวายนะครับโอ้ถวายไปครับ ครับแล้วขออากาศจะขอขมาหลวงพ่อเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มานเตียงครับรับตา่าวางนะครับเถเลปมาเดนะมาวะะตะเยนกัจจังสัมบังอทังธรรมุโนพันเตเถรเลปมาเดนะมาวาระตะเยนกัจจังสัมบัง อ布拉ทังธรรมตโนันเตตเยเมาเดนะเดวารตเยนกัตตัังอังมตโนันเตันเวตูเอวตูโยจารุเะัชิตวาปัาสปปัมชติสมังโลกังปพาเสติอพาโมตโตวัจจิมา ยะสะปาปังกะตังกัมมังกุสเลนปะปิยอติโสมังโลกังประพาเสติอภามุโตวจันณิมาอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายโนจตตาโรธร ม, มาวัทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพะหลัง